ขอเจริญพรท่านรองยกอบจอสบุษาคอนท่านประธานสภาแล้วก็ท่านรองอท่านปลัดจังหวัดนะปรลัดอบจแล้วขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านจริงๆอาตมาได้รับนิมนต์ไปบรงยายหลายที่นะก็เรียกว่าตลอดทั้งปีแล้วก็เป็นที่นีมมา มาสิบกว่าปีแล้วนะแต่ว่าพิตีจำด้านนี้เป็นขั้งแรกที่ได้รับนิมนต์จาก อ, าจอบจนะแล้วก็หัวข้อก็น่าสนใจนะเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมนะอันนี้เป็นส่วนเป็นโครงการนะที่นำมาสู่การบรรยายในวันนี้คุณธรรมจริยธรรมเนี่ยมัน ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีงามเพราะว่าเป็นเพือแตส่วนรวมเท่านั้นแต่ว่ามันยังส่งผลให้เกิดความสุขแก่ผู้ปฏิบัติ ด, ด้วยและความสุขในเวลาเดียวกันเนี่ยก็เป็นตัวหล่อเลี้ยงให้คนเราเนี่ยอยากจะทำความดีอยากจะมีชีวิตที่สอดคล้องกับคุณธรรมจริยธรรม เพราะฉะนั้นเขบว่าความสุขและความดีเนี่ยมันไม่ได้แยกจากกันเลยถ้าทำดีแล้วนะไม่มีความสุขก็อาจจะเป็นเพราะว่ายังยังไม่ดีพอหรือว่ายังวางใจไม่เต็มนะแต่ถ้ากว่าเร า, เาวางใจเต็มแล้วเนี่ยต่อมาเชื่อว่าความสุขจะเกิดขึ้นได้ไม่ยากและเมื่อมีความสุขเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็สามารถจะทาให้เราเนี่ย มีความมั่นใจมั่นคงในการทำความดีมากขึ้นคุณธรรมจริยธรรมกับความสุขกับความสุขจะเป็นสิ่งที่ไม่อแยกจากกันได้ปัญหาของเมืองไทยเวลานี้ที่พูดกันว่าการคอร์รัปชันเนี่ยมันเกิดขึ้นแค่ระบาดเนี่ยอัตมาที่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยะเป็นส่วนสำคัญด้วยคือการที่ทุกคนเนี่ยไม่มีความสุขจากการทำงาน คือไม่สามารถจะพ้นพบความสุขที่นอกเหนือไปจากวัตถุหรือเงินทองคนเรานี่ถ้าไม่มีไม่พบความสุขที่มันประเสริฐหรือความสุขที่ประนีนเนี่ยซึ่งอาตมาคิดว่าความสุขจากการทำงานจัดอยู่ในความสุขประเภทนี้เนี่ยเราก็จะต้องหานไปหาความสุขชนิดอื่น และสำหรับคนตัวไปแล้วเนี่ยความสุขที่สัมผัสได้ง่ายเข้าถึงง่ายๆให้ผลเล็วสู่ความสุขจากวัตถุจากเงินทองนะเพราะมีเงินทองแล้วก็ไปเที่ยวห้างไปจับจ่ายใช้สอยไปเสพสุขสนุกสนานคนที่รู้จักแต่ความสุขประเภทนี้เนี่ยนะต่ะว่าไปแล้วเนี่ยเขาก็น่าสงสารเพราะว่า เขาไม่รู้จักความสุขอย่างอื่นที่มันดีกว่าประเสริฐกว่าประณีดกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเไม่สามารถที่จะดำเนินชีวิตเนี่ยให้ให้ให้เป็นอิสระจากวัตถุสิ่งเสพหรือว่าลาสการลาดได้คําว่าอิสระในที่นี้ไม่ได้แปลว่าไม่เกี่ยวข้องเลยจังมายเพราะว่าเรา เป็นนายมาไม่ใช่มันเป็นนายเราคนเรานี่ถ้าว่าเราไม่รู้จักพบความสุขที่ประเสริฐกว่าความสุขจากวัตถุแล้วเนี่ยนะเราก็จะหลงติดในความสุขจากวัตถุได้ง่ายเพราะนั่นคือความสุขชนิดเดียที่เรารู้จักและในสุดเราก็จะกลายเป็นธาตุมันเราก็พร้อมที่จะทําผิดพร้อมที่จะทุจริตเพื่อจะได้มีเงินมากๆจะได้มีทรัพย์สินเงินทองนะโดยที่ ทรัพย์สิเงินทองที่ได้มาบ่อยครั้งเนี่ยมันให้ความสุขกับเราในวันนี้แต่ไม่นานมันก็จีดจางลงไปเคยมีการสอบถามคนเป็นพันเลยนะที่ได้ถูกลอตเตอรี่ นะถูกรางวัลจะเป็นสลากกินแบง่งสลากกินลั่วก็ตามไม่ใช่ในเมืองไทยนะในอเมริกาในยุโรปและในประเทศเหล่านี้เนี่ยลอตเตอรี่มีเยอะมากมีหลายประเภทเพราะว่าน ไ, ไม่มีการผูกขาดเหมือนเมืองไทยพอเปิดไสรี์แล้วเนี่ยมันก็จะมีคนมันจะมีลอตเตอรี่หลายประเภทมากแล้วก็คนถูลอตเตอรี่เนี่ยเป็นข่าวอยู่เรื่อยๆรางวัลใหญ่บ้างรางวัลเล็กบ้างแล้วก็พบว่า ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประมาณถึง 90% หรือเกือบ 100% ใน100เนี่ยบอกว่าความสุขที่เกิดขึ้นเวลาถูกลอตเตอรี่เนี่ยมันอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนคือมีความสุขเฉพาะในช่วง6เดือนแรกที่ได้รับรางวัลหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกเฉยเฉเหมือนกับก่อนที่จะถูรางวัล ก็คือว่าความสุขมันก็จะพุ่งขึ้นมาเร็วนะถูกลอตเตอรี่เสร็จแล้วก็จะค่อยๆลงลงมาจนกระทั่งสู่จุดเดิมก่อนที่จะถูกลอตเตอรี่6เดือนเท่านั้นเองนะนี่เป็นความนี่อย่าลืม ว, ว่านี่เป็นความสุขที่เกิดจากการถูกลอตเตอรี่ซึ่งไม่ได้ผิดกฎหมายบ้านเมืองนะและลองนึกถึงคนที่ทุจริตนะที่คอร์รัปชันเนี่ย เวลาเขาทุจริตได้คอร์รัปชันได้เนี่ยเขาก็มีความสุขนะเมื่อทําสําเร็จแต่เราเทียบความสุขเขาจะมีนานเท่าผเดือนไหมอัตมาว่าไม่น่านถึงนะเพราะว่าขนาดคนที่เจอโชคลาภเนี่ยความอย่างถูลตลอตเตอรี่เนี่ยความสุขเขมีแค่ผมเดือนนี่แต่คนที่ทุจริตเนี่ยเขาจะต้องมีความสุขเดือนเนอร้อนใจมีความสุขวันระแวงจะมีความสุขไม่น่าใจว่าความผิดของเขาจะมีผู้คนพบหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นความสุข ที่เกิดขึ้นจากการที่ได้เงินนะจากการทุจริตเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีถึง6เดือนนะคือจะว่าแต่เงินเลยนะเอาแค่คนที่ไปขโมยขโม ย, โมยเมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยใครที่ขโมย i ไอโฟน4ได้เนี่ยจะมีความสุขมากเลย iPhone 4S ขโมยมาได้นะแต่ถึงวันนี้ถ้าไอ h o น e ยังอยู่เขาเนี่ยเขายังมีความสุขนะฮะ บอกไม่เอาแล้วขอ iPhone 5ดีกว่าอุตส่าห์ขโมยแนละ้วอุตส่าห์ทาชั่วนะผิกดกฎหมายนะเสี่ยงคุกเสี่ยงตลาด น, นะเพื่อจะได้ i ไอโฟน 4S มามีความสุขแต่ความสุขประเดี๋ยวเดียวเองพอเจอ i ไอโฟน5ไอโฟน 4S ฉันไม่เอาละแล้วก็นึกเสียดายก็อุตส่าห์ยอมเสี่ยงคุกเสี่ยงตลางเพื่อมาได้โทรศัพท์ซึ่งตอนนี้ฉันไม่อยากจะได้้ะนะครคุ้มไหฮะตอนตอนแรกตอนที่ขโมยมาเนะี่ยจุกสุวรรคุ้มนะ iPhone 4S ราคาสอง0มื่นแต่มาถึงตอนที่ผ่านไปหนึ่งปีอาตมาช่วยแล้วก็ใครควรแนละ้วก็คงจะรู้สึกว่ามันไม่คุม้ม้ะเพราะว่าหนึ่งถ้าก็ถูกจับได้ก็ติดคุกสองไอความสุงที่เขาก็ได้จับ iPhone 4S ตอนนี้มันไม่มีแล้วมันเชยใชัแล้วนะจะให้ก็ให้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวคนรู้ว่าขโมยมานะอยากได้ iPhone 5แทน คือความสุขเนี่ยมันคือถามว่าพอไปขโมยมาหรือมันคุมไหมตอนแรกคิดว่มันคุมแต่พ อ, พอเวลาผ่านไปมันไม่คุมแล้วเพราะว่ารู้สึกเบื่อรู้สึกจืดจางกับของที่ได้มอาจารย์ไพศาลอาจารย์ไพศาลบอกว่าเนี่ยคนที่คนที่มีความสุขคนที่ผูกติดเอาความสุขไปผูกติด ก, กับวัตถุเงินทองจนถึงขั้นที่ทุจริตเนี่ยแต่ว่าไปแล้วบางคนเหล่านี้พ น, น, น่าสงสารเพราะว่าความสุขที่เขาได้มามันก็ประเดียวประเดียบกระดาล แต่เขาต้องเดือดเนื้อร่อใจกับความผิดพลาดที่ได้ทำไปนั้นต่มาคิดว่าย้อนกลับมาถึงประเด็นที่ได้พูดตั้งแต่ต้นว่าคุณธรรมเจรไดรทำเนี่ยนะมันเป็นแหล่ที่มาของความสุขนะและถ้าเรามีความสุขนะมันก็ช่วยหล่อเลี้ยงทำให้เราอยากจะทำความดีมากขึ้น อันนี้มันจะโยนถึงเรื่องงานการโดยตรงนะฮะเพราะว่ า, าความสุขอย่างหนึ่งที่เราสามารถจะเกิดขึ้นได้กับเราก็คือการทํางานเวลาพู้ถึงคําว่า ง, งานกับความสุขเนี่ยหลายคนมักจะรู้สึมันไม่น่าจะเช่ากันได้หรือบางคนคิดว่าจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อได้ทํางานที่ชอบ หรืองานที่มีค่างานที่สําคัญหรืองานที่ได้เงินเดือนด้เยอะแต่ในความของตมานเนี่ยงานอะไรไม่สําคัญทั้งว่างานอย่างไรทํางานอะไรไม่สําคัญทั้งว่าทางานอย่างไร <S <S <S <S คนสมัยก่อนเนี่ยเวลาพูดถึงคาว่างานเนี่ยมันตา ม, มด้วยความสุขหรืออย่างน้อย ก, ก็สนุก ไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานทําบุญบ้านนะงานแต่งงานหรือแม้แต่งงานศพคําว่างานเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันตามด้วยความสุขนะเที่บกัมาพูดมาทั้งหมดเนี่ยงานแต่งงานงานทําบุญบ้านงานบวชแมแต่งานศพมันสนุกนะงานศพสมัยก่อนนี่ก็สนุกนะมหรสศนะมีมีอ่ามี มีการเล่นหลายอย่างนะที่ทําให้รู้สึกสนุกดีน้อยเนี่ยไม่เศร้าโศกนะข้ออนะไรฮะเพราะว่าเราจะบอกว่าเป็นข้อบรรยากาศนะบรรยากาศของงานสมเนี่ยมันทําให้คลายความเศร้าโศกมีมิมีญาติมาแวดล้อมก็ทําให้ลืมความเศร้าโศกท้อความเศร้าโศกไปได้มีการใช้หนังกลางแปลงนะมี หนังใหญ่สมัยก่อนอนาะจมีนใหญ่มีลําตัดมีลิเกเออมันทำให้ ค, คลืนได้แต่มันก็เป็นตัวอย่างชี้ใหเหนว่าขึ้นชื่อว่างานแล้วนึกมาไม่ได้แปลว่าจะต้องเครียดหรือว่าเป็นทุกข์เสมอไปอย่างที่จะมาบอกว่างานอะไรไม่สำคัญตั้ว่าทำงานอย่างไร คนทุกคนที้ไปเข้าใจว่าต้องทํางานอย่างนี้ถึงถึงจะมีความสุขแต่ตมาบอกว่าแม้แต่งานที่เงินเดือนน้อยแม้แต่งานที่ไม่มีไม่มีค่าในสายตาของคนทั่วไปแต่ถ้าเรารู้จักทำหรือวางใจให้เป็นก็มีความสุขได้ตมาอยากจะพูดเป็นข้อๆไปนะว่าทํางานให้เป็นสุขได้อย่างไร ประการแรกที่สำคัญคือว่าต้องเห็นคุณค่าของมันก่อนเห็นคุณค่าของงานเขาไม่เห็นคุณค่าของงานเนี่ยหมายความว่าถึงน่าจะไม่ใช่เป็นงานที่มีเงินเดือนเยอะไม่ใช่เป็นผู้จัดการนะไม่ใช่เป็นหัวหน้าไม่ใช่เป็นงานนั่งโต๊ะ แต่ถ้าคุณเห็นคุณค่าของงานคุณก็มีความสุขได้มันมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับคนสามคนนะเป็นช่างก่ออิกทั้งทั้งสามคนเลยทำงานใกล้ๆกันคนแรกเนี่ยก่ออิกไปสักพักก็หยุดแล้วก็ดิบบุหรี่มาสูบนะสูบช้าๆนะ พอสู่บริษัทหมดหมวลก็ถึงค่อยๆนะเยื้องกลายย่างกลายไปทำงานต่อคนที่สองดูข ย, ยันขึ้นมาหน่อยนะแต่ทำงานไปดูนาฬิกาไปทางานไปดูนาฬิกาไปเพราะตอนนั้นมันเย็นแล้วใกล้จะห้าโมงเย็นแล้วคนที่สามเนี่ยกระฉับกระเฉงมากนะต่ออีกต่ออีกก็แล้วก็เล่าเงือก็ ใจมนหลังเลยนะแต่แกดูมั่นใจชัวร์ไปถามคนแรก ว, ว่าคุณทําอะไรเขาบอกผมก่ออิฐครับไปถามคนที่สองทำอะไรเขาบอกผมก่อกําแพงครับถามคนที่สามคนที่สามว่าผมกำลังสร้างวัดครับถามว่าใครมีความสุขมากกันนะคนที่สมเนี่ยเขเหนือใช่ไหมฮะเขาก่ออิฐ ก, ก่ออะไรก็อะไรแต่เขามีความสุขเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาเห็นว่าเขา ไม่ได้กำลังก่ออิฐไม่ได้กําลังก่อกําแพงแต่เขาสร้างวัดเขาเห็นว่าสิ่งที่เขาทาเนี่ยมันจะมีผลลงเอออย่างไรคือวัดขณะที่คนแรกนี่มองแค่ก่ออิฐคนที่สองมองใกล้มองไกลไปหน่เออก่อกําแพงคนที่สามเนี่ยเขามีสายตาที่ไกลเรียกมีวิสัยทัศน์ก็ได้ คือเขรื่ว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันจะไปก่อให้เกิดอะไรขึ้นมาเขาก็เกิดความกระตือรือร้นเขามีความขยันเขาเห็นคุณค่าของงานที่เขาทําเพราะมันคือการทําบุญอย่างหนึ่งมันคือการสร้างส่งเสริมอุปถัมภ์พุทธศาสนาเขาก็มีความสุขที่ได้ทําความเหนื่อยเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับเขาเพราะว่าเขามีความสุข ว่ได้มีส่วนทําบุญได้มีส่วนอุปธรรมพุทธศาสนาคนแรกคนที่สองเนี่ยไม่ได้คิดแบบนั้นเลยคิดเพียงว่าทําเพื่อให้มีเงินเดือนค่าจ้าง300บาท400อบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำเพียงแค่ว่าพอให้มันจบไปวันๆนะคนแรกก็อู้นะอู้ด้ยการสูบบุหรี่นะคนที่สองเนี่ยไม่อู้ก็จริงแต่ว่าทํางานไม่มีความสุข เพราะว่าคอยคิดว่าเมื่อไหร่มันจะเลิกงานสักทีดูนาฬิกายอยางนั้นแหละคนแรกเนี่ยเาเามีความสุขเพราะเขาเห็นคุณค่าของงานนะแม้พวกเราเนี่ยไม่ว่าเราจะทำงานนั่งโต๊ะไม่ว่าเราจะทำงานเสมียนหรือเป็นคนสวนนะถ้าเรามองให้เป็นเนี่ยเราจะเห็นว่างานที่เราทำ ม, มีประโยชน์ อาจจะไม่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมขณะที่เราส่งเสริมพุทธศาสนาแต่ว่าอาจจะมีเป็นประโยชน์ส่วนรวมต่อต่อต่อชาวบ้านต่อประชาชนอย่าพวกเราเนี่ยทำออปปจอเนี่ยนะเราแต่ละคนเนี่ยเป็นเสมือ น, นกลไกเล็กๆบางคนก็เป็ น, นกลไกที่ใหญ่แต่ถึงแม้เราจเป็นคนตัวเล็กๆกแต่เราก็เป็ น, นกลไกที่ทําให้อา่า เกิดประโยชน์กับคนมหาชัยคนสมุทรสาครไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาหรือเป็นเรื่องของสุขภาพอนามัยเพียงแค่แม้เป็นคนเป็นคนสวนหรือเป็นคนทําความสะอาดเนี่ยนะก็มีความหมายคนที่มาคนที่มาติดต่อธุระที่อบจอเนี่ยเห็นพื้นมันสะอาดห้องน้ำสะอาด ขากสุจิตใจแจ่มใสเราก็สูจจสเสเออ้เอาาออบจที่นี่เนี่ยนะเรียกว่ามีความตั้งใจงในการทํางานสิ่งที่เราทําไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดไหนถ้าเรามองให้เป็นเนี่ยเราก็จะเห็นคุณค่าเราก็จะเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าแล้วทําให้เราเนี่ยจะตื่นรุ่นที่จะทํางานและมีความสุขคุณค่าบางส่วนอาจจะเกิดขึ้นจากการที่เรา ได้รับประโยชน์ไม่ใช่ทางว่าถอแต่เป็นประโยชน์ในทางนมธรรมมันทำให้สุดลอภาภาพภูมิใจก็ได้คนจำนวไม่น้อยเนี่ยนะมีกินมีใช้อยู่สบายนั่ ง, น, ง, น, งนอนๆแต่เขาไม่มีความสุขเพราะอะไรทรางไหครับเพราะเขาไม่ได้ทำงานอราอมารู้จักคนแก่ ที่เกษียณไปแล้วเนี่ยหลายคนนะที่พอเกษียณแล้วเนี่ยก็นั่ง น, นอ น, น, อนดูโทรทัศน์ทั้งวันแต่ก็ไม่มีความสุขไม่เหมือนกับคนแก่ในหมู่บ้านของอาตมาอาตมาอยู่อยู่บนเขานะหมู่บ้านยังเป็นชนบนทนอยู่คนแก่ก็ยังเลี้ยงหลานยั ง, ยงยมียังยิ่งเต็มโอกาสเลี้ยงหลานคนแก่บางคนก็ทอดผ้าคอเสือ้อ เขาไม่ทําก็ได้แต่ว่าเขาทําแล้วเขามีความสุขได้เลี้ยงหลานแล้วมีความสุขมีอตมาตมาไปไปประเทศไต้หวันนะไปเจอไปดูงานัอมูลนิธิชื่อจี้ชื่อเป็นมูลนิธินะแต่ว่าไม่ใช่มูลที่เล็กๆนะสมาชิกเขาเนี่ยประมาณสี่ห้าล้านคน หรือประมาณ 20-25% ถึงของประชากรไต้หวันประชากรไต้หวันประมาณ20ล้านคนสมาชิก ล, ล็อกเวลา 4-5 ล้านคนนะเปอร์เซ็นต์นี้มันยิ่งกว่าอาจจะยิ่งกว่าพรรคการเมืองในเมืองไทยนะแต่เป็นมูลนิธิซึ่งนํานโดยพระพิสุนีแล้วก็มีกิจกรรมหลายแห่งเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนหมหิทยาลัยหมอเชลัยแพทย์หมอเชลัยแพทย์ก็มีชื่อมากนะติดอันดับโลกและเขายังมีสถานี รีไซเคิลนะพวกกระดาษเครื่องโลหะพลาสติกเข้ามารีไซเคิลถึง5้าพันสถานีทั่วประเทศเข้าคนมาจากไหนฮนะคนนี่เขาฟรีนะคือเป็นนักสะสมสม่สวนใหญ่เป็นคนแก่อัตามาก็ไปเห็นสถานีนึงมีแต่นคนแก่นั่งยองๆฉีกกระดาษบ้งเอาขวดฝ้าขวดจากจากขวดน้ำพลาสติกนี่ออกมา ก็ามานันไปรีไซเคิลได้คนแก่อาซิมอาม่าควกนี้เนี่ยเขานี่เป็นพวกผู้จัดการอดีตผู้จัดการนะเป็นเป็ น, ปนวิศถาปนี้ก็มีเป็นวิศวรกวรก็มีนะผู้นี้เจ็ดสิบแล้วแ0ดสิบแล้วเขาไม่เป็นราศาสมาชิกชุมชี้มีคนหนึ่งนะจะบอกว่าผมอะขอยะคืนชี่ผมอะคือขอยะคืนชี่หมายเขาบไงบอกว่าการที่แกมาทา การที่แกมเป็นนัศัลย์เนี่ยมันถ้าไม่ช่วยแกเริ่มมีชีวามากขึ้นคือพอแกเกษตรณแล้วแกก็เบื่อมีกินมีใช้ก็จริงเพราะมีเงินสะสมเยอะลูกก็เลี้ยงด้วยแต่แกเบื่อเพราะแกไม่มีอะไรทําแกรู้สึกเหมือนกับขยะมีกินมีใช้แต่ไม่มีประโยชน์เลยเนี่ยไม่ได้ทํางานแล้วก็ส่วนไม่มีประโยชน์ก็เหมือนขยะแต่พอแกมาเป็นเป็นนักศัลย์สมัยมือที่เฉื่อยจี้เนี่ยแกรู้สึกแกมีความสุข แกเปรียบตัวว่าเหมือนกับขยักคืนชีพแกไม่เพียงแต่ทําให้ขยักในมือแกมีประโยชน์กลับมาเท่ั้งแต่มันยังช่วยทํำให้ใจแกเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นมาบางถึงเลือกเลยว่าผมเน่ยคือขยักขืนชีพมีความสุขเพราะได้ทางานฮะได้ทํางานที่มีคุณค่ามีประโยชน์คนเราเนี่ยยิ่งถ้ามีกระลว า, าวังช้าแล้วไม่ได้ทํางานนะหรือทํางานแบบแบบเออเฉยเฉยนะ ลึกๆข้างในนะรู้สึกกลวงรู้สึกไม่มีคุณค่าคนคนคนที่เช้วชาญยยันชนนานี่แต่มาช่วยน้าสงสารนะเพราะในเสื้อลูกของเขาเนี่ยเขาสวมเขาไม่มีคุณค่าเขาสวมเขาไม่มไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรนะสบายกายนะแต่ว่าใจนี่ทุกนะตรงข้ามคนที่ทํางานเนี่ยนะมีงานทําตลอดวันนะเหนื่อยกายกต็จึงจะมีความสุขมีความภาคภูมิใจ ในตลาดเชื่อวคนที่คนที่มีความสุขกับงานเขาก็เห็นว่างานเนี่ยมันทําให้เขาได้ใช้สแควร์ค่าของเขามันทําให้เขาสุดมีความมีความภาคภูมิใจในตนเองนะนี่ประกาศที่หนึ่งเลยนะคื อ, อการเห็นคุณค่าของงานคุณหมอคุณหมอท่านนึงแกเล่าว่ามีช่วงหนึ่งที่ได้ ลาย ง, งานรากาเนี่ยมาช่วยธุรกิจของคุณพ่อซึ่งเป็นบริษัทใหญ่บริษัทนี้เนี่ยมีรถเข้าออกเยอะมากแล้วแกก็สังเกตเนะว่ามีพนักงานคนนึงเนี่ยเป็นคุณลุงแกก็เห็นมาเป็นยี่สิบปีแต่แกยังยังยั ง, ย, งยังเด็กอยูนะ่แล้วนะแล้วแกก็อยู่บริษัทนี้มานานตอนหลังเนี่ยแกก็มาเป็นพนักงานห้ามรถรถเข้ารถออกแกก็เป็นพนักงานจราจรแต่แกดูมีความกระฉับเฉงมาก ไม่เหมือนคนหนุบางคนทํางานแบบเฉยๆเหนื่อยๆคุณลุงคนนี้แกกระสับกระเฉงแกมีความสุขฮนะคุณหมอก็ก็เลยวันนึงก็เลยอยุดรถแล้วก็ไปคุยกับลุงถามว่าลุงเนี่ยทําอาชีพไอ้ทําตําแหน่งนี้เนี่ยอยู่ตําแหน่งนี้มานานเท่าไหร่ละแกบอกสิกปีละสิบกวปแวีแล้วลุงแล้วลุงไม่เบื่อเนี่ยวันๆทั้งวันมีแต่ห้ามรถเข้าลปล่อยรถออกก็บอกจะมีมันจ ะ, ม, นจะมันจะเบื่อได้ไงคุณหมอ เวลาผมมือผมยกมือให้หยุดเนี่ยรถก็ต้องหยุดแม้ว่าจะเป็นรถผู้จัดการหรือรถผู้ประกอรถเจ้าของอก็ต้องเชื่อฟังผมต่อเมื่อผมปล่อยบบกมือถึงจะเข้ามาได้นะรถผู้จัดการรถหัวหน้ารถเจ้าของทุกคนต้องเชื่อฟังผมแล้วมันจะเบื่อได้ไงนะจะน่าเบื่อได้ไงนะคือแกเห็นว่าเออสิ่งที่แกทํามันมีคุณค่ามีความสําคัญนะแม้กระทั่งผู้จัดการแม้กระทั่งเจ้าของนี่ก็ต้องฟังแกนะ จะมีแต่นีกี่คนที่เห็นแบบนี้ใช่ไหมไปเชื่อโอ๋งานฉันไม่มีคุณค่างานฉันเงินเดือนน้อยนะเป็นขา้นขาขราช ก, การหรือเป็นพนักงานพูดน้อยจิ๊บจ้อยเหลือเกินคิดแบบนี้เนี่ยคุณยังไม่มีความสุขเลยแต่ถ้าคุณมองให้เป็นเนี่ยคุณก็จะเห็นว่างานที่คุณทํามีคุณค่าอย่างไรบ้างคุณค่าต่อส่วนรวมและคุณค่าต่อตัวเองคุณค่าต่อตัวเองในความหมายที่ว่ารู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้ทำประโยชน์ดี่ข้อแรกเลยนะ แล้เราต้องมองกลับมากลับมาดูตัวเราเองว่าทุกวันนี้งานที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่าเราเห็นคุณค่าของงานที่เราทำไหมนะอย่าไปติดที่ว่างานมันมีเงินเดือนน้อยเป็นงานจิ๊บจอยอาตมาอยากจะอยากจะย้ำอยากจะบอกนะว่าว่าถ้าเราเห็นถ้าเราไม่ให้คุณค่ากับงานของเรานะงานนั้นก็ไม่ให้คุณค่ากับเราถ้าเราให้คุณค่ากับงานนะ งานนั้นก็จะกลับมาให้คุณค่ากับเราคนที่คนที่ดูถูกงานที่ตัวเองทำนะลึกๆก็ดูถูกตัวเองเพราะเมื่อคุณดูถูกงานที่คุณทําเนี่ยงานนั่นก็ทําให้คุณรู้สึกด้อยแต่ถ้าคุณให้คุณค่ากับงานเมื่องงานทุดฉันทําที่เป็นงานที่สําคัญมากเนี่ยคุณให้คุณค่ากับงานเท่าไหร่เนี่ยงานนั่นก็จะกลับมาให้คุณค่ากับคุณมันเป็นมันเป็นกฎแห่งกรรมนะคุณดูถูกงานนะงานก็ทําำให้คุณรู้สึกดูถูกตัวเอง แต่ถ้าคุณเห็นคุณค่าของงานนะงานก็จะให้คุณค่ากับคุณนะนี่ก็ทางกรรมพื้นพๆเลยเหมือนกับที่ถ้าคุณไปคุณไปเกลียดใครเนี่ยแล้วใจเขามารักคุณเนี่ยยากคุณอย่าใจเข้ารักคุณคุณต้องรักเขาก่อนใช่นะฮะงานก็เหมือนกันฮะคุณต้องรักงานก่อนนะงานถึงจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกรักตัวเองนี่ค้อแรกข้อที่สองเนี่ยนะ อันนี้เป็นเรื่องการวางใจระดับนยคุณคุณจะมีความสุขได้เนี่ยคุณต้องอยู่กับปัจจุบันใจคุณต้องอยู่กับปัจจุบันทุกวันนี้คนเรามีความทุกข์ไม่ว่าในชีวิตและการทำงานเนี่ยเพราะว่าใจเนี่ยไม่ได้อยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้แ0สปอร์ซ็นคนเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกวันนี้เป็นทุกข์เพราะว่าใจนีไปอยู่กับอดีตไปอยู่กับสิ่งที่มันสูญเสียไปไปนึกถึงคนที่เขาว่าเรานะ ไปนึกถึงคนที่เขาทำร้ายเราไปคิดถึงความร่มเหลวที่มันผ่านไปแล้วหรือไม่ก็ไปนึกถึงงานนึกถึงปัญหาที่ยังมาไม่ถึงหลายคนทุกข์เพราะว่างานอีกต้องอีกต้องเป็นเดือนกว่าจะเสร็จอีกต้องเป็นปีกว่าจะเสร็จหรือว่าบางคนกพราว่าอีกต้องอีกต้องหลายชิ้นกว่าจะเสร็จคนที่คิดแบบนี้นะคือไปอยู่กับอนาคตแล้ว และบอกที่แบบนี้นะเกิดอะไรขึ้นเกิดความกังวลเกิดความเครียดเกิดความท้อเวลาคุณทํางานเนี่ยนะคุณทํางานตอนนี้คุณไปนึกถึงตอนบ่ายว่าเดี๋ยวคุณต้องไปรายงานนะเจ้านายแล้วไอ้งานนั้นคุณยังไม่คุณยังไม่ได้ทําเลยคุณเครียดทันทีเลยคุณไม่ได้เครียดกับงานที่คุณทําตอนนี้นะคุณไปเครียดกับใจใจที่คุณที่คุณมีอยู่ข้างหน้า หรือเครียดเพราะว่าเอาแต่บน่นว่าเมื่อไหรจะเสร็จเมื่อไรจะเสร็จเมื่อไรจะเสร็จเมื่อไรจะเสร็จน็คือคุณไปอยู่กับอานาคตแล้วอย่าไปคิดถึงคนอื่นคุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะมีหลายคนนะมาบอกอตาต ม, มาเวลาทำงานก็ไม่ถึงลูกที่บ้านเวลาอยู่กับลูกที่บ้านก็นึกถึงงานเครียด เวลาทํางานเวลาจะนอนก็คิดถึงงานนอนไม่หลับเวลาทํางานก็ดันร่วงนอนเวลาคุณทํางานคุณคิดถึงลูกเนี่ยคุณทุกข์ไหมคุณทุกข์ใช่ไหมแล้วงานที่คุณทําคุณก็ไม่มีสมาธิกับงานที่ทําคุณทุกข์เพราะลูกแล้วคุณทำรายได้คุณช่วยอะไรลูกได้ไหมเพราะตอนนี้คุณอยู่ออฟฟิศใช่ไหมแล้วคุณก็ทํางานไม่มีความสุขเพราะใจคุณคิดถึงลูกเวลาคุณอยู่กับลูกแทนที่คุณจะใจคุณจะอยู่กับลูก คุณอยู่แค่ตัวแต่ใจคุณไม่ได้คิดถึงงานคุณทุกไหมคุณห่วงไหมคุณกังวลไหมคุณห่วงคุณกังวลบางทีคุณห่วงมากๆกังวลมากๆเนี่ยคุณอารมณ์พูดลูกพูดไม่ถูกหูแล้วคุณก็ด่าลูกไปเลยแล้วที่คุณไม่ได้ไม่ได้มีอะไรกับลูกเลยนะแต่เพราะคุณเครียดกับกับงานที่คุณกําลังนึกถึงเนี่ถ้าหาว่าใจคุณอยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับงานที่ทําอยู่กับคนที่กําลังอยู่ต่อหน้าเนี่ยคุณจะมีความเครียดน้อยลง บางคนทำงานไปก็นึกถึงสิ้นเดือนเนี่ยต้องจ่ายค่าค่ารถละจ่ายค่าเช่าบ้านสิ้นปีนี้เนี่ยนะต้องจ่ายโน่นจ่ายนี่หรือบางคนก็ร่างทำงานก็เป็นห่วงลูกว่าจะเข้าบ้านอะไรได้ไหมอนาคตทำงานเลยนะใช่ไหมไอ้ใจใจ จ่ายค่ารถค่าบ้านนี่มันก็คืออนาคตแม้ว่ามันจะเป็นแค่ไม่กี่วันแต่หลายคนเนี่ยทุกข์เพราะว่าใจเนี่ยไปอยู่กับผลสําเร็จของงานผลสําเร็จของงานเช่นง่ายๆคือว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างไร คุณไม่ได้ทุกข์คุณไม่ได้เครียดเพราะงานที่เกิดคุณกําลังทาตอนนี้นะแต่คุณทุกข์เพราะความคิดที่ไปอยู่อ น, นาคตเคลลับในการทำอะไรมีความสุขคืออยู่กับปัจจุบันแล้วพวกเรารู้จักโน้ตอุดมนะฮะใต้พานนีนี่เขากำลังจะเดียเด่ยวเดี๋ยวแะไรเดี่ยวสิบไปใช่ไหมเขาใหสัมภาษณ์ตอที่เขาเดี่ยวเก้านะเขาบอกว่าเนี่ยตอนที่เขาเดียวใหม่ๆนะ เพราเรารู้จักมาเ ด, เดี่ยวเดียวไมโครโฟนรู้จักใช่ไหมบางคนอาจจะไม่รู้จักเพราะว่าเกิน mm. เกนิเกิเก ว, วัยเวลาโน้ตโนเนี่ยขาบอกว่าตอนที่เขาเิ่มเดียวใหม่ๆเดียวหนึ่งเดียว2เดี่ยวสามเามีความเครียดมากเพราะว่าเวลาเขาเล่นเนี่ยเขาอยู่เป็นเวทีเขาจะคอยคิดถึงว่ามันจ่ อ, อกมาเป็นอย่างไรมันจะเป็นไปตามแผนตามพร็อพที่เขาวางไว้ไหม แล้วบางครั้งเนี่ยเล่นไปเล่นไปมันหลุดเนี่ยมันออกมันออกจากมันออกจากพลอตที่ที่วางเอาไว้เขาเริ่มเครียดแล้วจะตีกลับมายัางไงจะให้มันออกมาตามที่เขาตามที่เขาตกลงว่ายังไงนะเขาผูดไว้อย่าง น, า น, นี้อาตมาคิดว่าน่าฟังนะเขาผู้ดดีเพราะว่าสมัยหนุ่มๆเนี่ยตอนทําเดี่ยว 3, <S <S สามเดี่ยวสี่เนี่ยผมเอาใจไว้ที่ปลายทางของงานปลายทางของงานคือว่าเขาวาดภาพบางามจองมาเป็นยังไง แล้ใจเขาเนี่ยคิดอยู่คิดทั้งหลาตรงนั้นอ่ะขณะที่เขาอยู่บนเวทีผมเอาใจไปไว้ที่ปลายทางของงานอยากจะให้ออกมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หน้าวันนี้ผมรู้สึกว่าปลายทางมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันแถวทางนั้นแหละที่ตรงนั้นแหละแต่ระหว่างนี้เนี่ยนะกูขอเจรเิญเติบโตไปกับมึงหมายถึงว่าระหว่างทํางานแต่ละรอบเนี่ยใจก็อยู่กับใจก็อยู่กับปัจจุบันนะ ไอ้ที่วางแผนเอาไว้เนี่ยมันจะถึงหรือไม่เนี่ยค่อยว่ากันแต่ตอนนี้เนี่ยนะฉันจะทำที่ปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดนะแล้วบอกว่าเขาเราว่ามันเริ่มสนุกนะนะเริ่มสนุกนะเพราะว่าได้ลองผิดลองถูกนะแลวได้เรียนรู้เนี่ยขนาดขนาดศิล ป, ปินนะซึ่งเล่นกับความมันเทิงนะเขาไม่ได้ทำนะงานคิดเพรแบบนะแบบแบบเรานนะ แต่แม้จะทํางานบันเทิงใจถ้าหวังใจไม่เป็นก็เครียดนะและความเครียดเกิดจากอะไรไปอยู่ใจไปอยู่กับอนาคตนะไม่อยู่กับปัจจุบันเพราะฉะนั้นอาจารย์ชื่ว่าเวลาคุณเครียดนะกับงานทนะั้งปอยคุณลองลองสำรวจตัวว่าคุณใจคุณไปอยู่ไหนคุณกำลังไปอยู่กับอดีหรือเปล่าคุณกำลังไปอยู่กับอนาคตไหมคุณไปอยู่สิ่งนอกตัวไหมนะงานมันจะเยอะอีกกี่ชิ้น ก็ตามเนี่ยสมมุติสิบชิ้นหรือยี่สิบชิ้นแม้มันจะกองอยู่คุณต้องทำให้เสร็จภายในเดือนนี้แต่ทำไมอยากจะแน่ว่าถ้าคุณแกทา ง, งานมีความสูง น, นะใจคุณอยู่กับปัจจุบนันอยู่กับงานที่คุณกำลังท ำ, ทำลืมลืมไอ้ยี่สิบชิ้นอะไรก่อนแต่คุณจะลืมได้ดีนะตอนเมื่อคุณวางแผนเป็นนะก็คือว่า วันนี้ทําอะไรเช้านี้ทําอะไรกลางวันนี้ทําอะไรเย็นนี้ทําอะไรกลางค่ํานี้ทำอะไรเมรุ น, นี้ทําอะไรถ้าคุณแบ่งงานดีๆนะคุณจะปล่อยวางได้ง่ายใจคุณก็ใช้คุณจะอยู่กับปัจจุบันได้ง่ายขึ้นการอยู่กับปัจจุบันยังมีความายังมีความว่า ท, ทําทีไรยาก มันมีคำพูดดีนะก็บอกว่าเดินทีละก้าวใช่ไหมกิงข้าวทีละคำทำทีละอย่างเคล็ดลับอีกแค่เนี้ยถ้าคุณเดินทีละหลายก้าวไปไหนมาล้มใช่ไหมแล้วที่เดินทีละหลายก้าวเขาเนี้ยใจร้อนอยากให้ถึงเร็ ว, รวพออยากถึงเร็วๆคุณเดินทีละหลายก้าวแล้วแล้วคุณก็ล้ม ถ้าคุณกินข้ากิกนข่าวมีความสุขตนะ้องต้องกินทีละคำเดินทีละกา้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างคุณที่มีสิบชิ้นรออยู่คุณก็ทำชิ้นทีอยู่ข้างหน้าจะทำงั้นได้ต้องแบ่งงานให้ดีแบ่งงานให้เต็มเวลาคุณจะกินพิซซ่าเนี่ยพิซซ่าหรือหรือขนมเค้กเนี่ย ขนาดเท่านี้คุณจะกินยังไงคุณต้องทำยังไงก่อนต้องแบ่งใช่ไหมแบ่งกี่ชิ้นหกชิ้นหรือแปดชิ้นแล้วคุณหยิบชิ้นแรกออกมาจากจานคุณจะกเข้าไป้นปากหมดไหมไม่หมดคุณต้องกินทีละคำนี่ไหมขนาดของอร่อยคุณต้องกินทีละคาเลยและของที่ไม่อร่อยอ ย, อย่างงานเนี่ย ทำไมคุณไม่ทําทีละทีละทีละคำทีละคำหรือทำทีละขนาทีละขนาดทีละขนาดคุณสนใจแต่ชิ้นที่อยู่เวลากินคุณก็สนใจแต่ชิ้นที่อยู่ข้างหน้าคุณอยู่ในป่ากคุณใช่ไหมหรืออยู่ในมือคุณใช่ไหมอีกเจ็ดชิ้นคุณก็ต้องปล่อยวางก่อนใช่ไหมคุณก็ต้องคุณต้องไม่ต้องสนใจนันคุณสนใจเฉพาะชิ้นที่อยู่ในมือคุณและกินทีระคำทางานก็ใช้หลักเดียวกันนะคือคุณทํางานอยู่ตรงหน้าคุณแล้วก็ทําทีละแล้วก็ทํา ทำไปทีแต่ละนาทีแต่ละนาทีให้ดีที่สุดมีนักปีนขาคนหนึ่งน ะ, ะชื่อบรูซเคอร์บี้เป็นนักปีนเขาที่เก่งที่สุดในโลกคนหนึ่งนะเพราะว่าแกเขาที่สูงที่สุดในโลกทุกทกวีไม่ว่าในเอเชียออฟริกาอเมริกาลาตินอเมริกายุโรปเนี่ยแกปีนมาหมดละถึงยอดมละและแกสรุปประสบการณ์แก จากการปีนเขาว่ามีแค่ข้อเดียวนันก็บอกว่าแกให้เป็นข้อที่ว่าทุกอย่างจะยากลำบากหรือน่ากลัวก่อความเป็นจริงเสมอเมื่อมองจากที่ไกลว่าเวลาปีนเขาเนี่ยถ้าใจเขาไปจดจอ่ออยู่ยอดเขาเนี่ยก็รู้สึกมันชวนท้อแท้เพราะมันสูงมันไกล แล้วก็ทางยีบา่าคือไม่ทําปีเลยก็เห็นยอดก็ทอนแะล้วแต่เขาบอกว่าเคล็ลับในการปีเขงของเขาคือว่าที่ทําให้เขาสําเร็จมาโดยตลอดคือว่าสนใจพื้นดินถิ่อยู่ใต้ฝ่าเท้าและก้าวทีละก้าว <c oughs> ก็คือสนใจกับปัจจุบันไม่ได้สนใจจุดหมายแต่อยู่กับปัจจุบัน และกล้าไปทีละก้าวถ้าคุณกล้าไปหยุดนะคุณถึงแน่ง่ายนะมใมคุณสนใจพื้นเนนที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าคุณแล้ะคุณกล้าไปจีละก้าวขอให้อย่ายุดก็แล้วกันแต่ถ้าเหนื่อยก็พักแล้วเดี๋ยวถึงเองเองานคุณมันจะยากแค่ไหนนะคุณอย่าไปสนใจคุณทําปัจจุบันให้ดีทําไปทีละทาไปทีละนาทีทําไปทีละนาทีทีละชั่วโมงแล้วถ้าคุณทําไม่หยุดนะโดยที่มีการวางแผนดีนะ คุณก็จะทําสําเร็จถ้าคุณใช้ถ้าคุณวางใจวนันนี้คุณจะเครียดน้อยลงเพราะว่าคุณทํางานคุณจะไม่แบกไองานอีกมากมายเอาไว้ในใจให้มันหนักคุณก็วางเอาไว้แล้วคุณก็ทําเฉพาะที่อยู่ข้างหน้าคุณ อ, อย่างเี่นตมาวันนี้ต้องไปพูดหลายที่เลยเนี่ยตมาก็ไม่สนใจนะตมาสนใจว่าเนี่ยพูดตรงนี้ให้มันดีตอนกลางวันไปบ้านพ่อหรือคืนนี้จะไปสุขุมวิทก็ เอาไว้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วแต่เป็นงี้นะมันใไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องงานเรื่องอื่นก็เหมือนกันนะคุณเป็นหนี้เท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเกี่สิบล้านเนี่ยนะจะจ่ายเมื่อไหด้เนี่ยก็เป็นเรื่องอนาคตคุณทําวันนี้ให้ดีหาเงินวันนี้ให้ดีมีคนถามหลวงพ่อหลวงพ่อพยอมว่าหลวงพ่อ หลวงพ่อเป็นหนี้ธนาคารเนี่ยหลายสิบล้านเลยคือมืนที่วัดสวนแก้วนะไม่ใช่อย่างท่านนะมือที่วัดสวนแก้วเนี่ยกู้เงินธนาคารมาพัฒนาวัดเพื่อช่วยสลวงพ่อญาติโยมซื้อที่แหล่งต่างๆก็หลายสิบล้านก็ ม, มีโยมถามว่าหลวงพ่อเป็นหนี้มากมายนี้เนี่ยไม่ทุกข์เหรอท่านบอกจะเป็นทุกข์ทำไมไอ้นคนที่น่าจะทุกข์มากกว่าคือเจ้าของเงินว่าเรามีปัญญาใจเหมือนนั่นเขาหรือเป่าใช่ไหม หลวงพ่อทไม่ทุบหรอ <c oughs> นะท่านวางใจเนี่ไม่ใช่ว่ า, ท, าท่านคิดจะเบี้ยวนะเปล่าถ้าไม่คิดเบี้ยพ่าถึงเวลาสิ้นเดือนสิ้นปทนีท่านก็ต้องจ่ายแต่จ่ายต้องที่จ่ายได้แต่ระหว่างนี้เนี่ยท่านก็ทำ ง, งานท่านไปท่านไม่เอาเอาหนี้สินมาเป็นภาระให้หนาอูหนักใจใช่ไหท่านอยู่กับปัจจุบันนะเนข้อที่สองคือคุณต้องรู้จักอยู่กับปัจจุบันอย่าปล่อใจไปกระดี๋กับอนาคต และนี่เป็นหลักในการใช้ชีวิตด้วยถึงสิ่งที่บรูซเคอร์บีบอกเนี่ยมันใช้กับชีวิตได้และนึ่คือสิ่งที่ผู้เจ้าสองดูกับปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีที่สุดไม่ได้แปลว่าไม่ต้องคิดถึงอดีตนะคุณคิดได้ถ้าคุณคิดแบบใคร่ครวนถ้าคุณคิดแบบไข้ครวนนั่นคือแสดงว่านั่นคือปัจจุบันแล้วแต่ถ้าคุณคิดแล้วคุณนึกแล้วคุณคร่ำครวนอันนั้นไม่ถูกผู้เจ้าไม่บอกว่าให้นึกให้พร่ำครวนอยากพร่ำครวนกอดี แต่คุณใคร่ควรได้นะคุณอย่าไปกังวลกับอนาคตแต่คุณวางแผนได้นะแต่วางแผนแล้วก็วางให้จบคนที่กังวลเนี่ยมันจะไม่ยอมจบก็ทินะคิดอยู่นั่นแหละคิดอยู่นั่นแหละคิดนั่นแหละคนที่ข้ามเพลิงกันไปกันนะข้ามัวก็คิดอยู่นั่นแหละคิดอยู่นั่นแหละแต่ถ้าคุณใคร่ควรถ้าคุณใคร่ควรจบคุณก็วางได้คุณวางแผนถ้าคุณวางแผนเป็นคุณวางวางแผนจบคุณก็วางได้ แต่ที่ที่ไม่วางเพราะว่าไม่ได้วางแผงเนี่ยแต่ว่ากังวลต่ำตาลมันนะอยู่กับปัจจุบันทาปัจจุบันให้ดีที่สุดสองข้อแล้วนะข้อที่สามก็คือว่ามองแง่บวกคุณต้องหันมองแง่บวกคุณลุงคุณลุงคนที่แกมีความสุขกับการห้ามลถเข้าปล่อยลดออกเนี่ย จะมองแ่งนี้แก ม, มีแกรู้จักมองแง่บวกแกมองว่าเอ๊ะทำงานชิ้นนี้เนี่ยมันดีตรงไหนบ้างแกก็มองเห็นว่าเออมันดีตรงนี้แหละมันทําให้รู้สึกว่าเราเป็นเรามีความเราเป็นคนสาคัญเราเป็นคนสําคัญเรามีบทบาทสํ า, าสคัญเกิดความภาคภูมิใจการมองแง่บวกเนี่ยมองได้หลายอย่างนะมองว่า ไอสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันมีข้อดีอย่างไรคนที่มองไม่เป็นก็จะบอกโ อ, โอ้คนงานมันเยอะงานเยอะใช่ไหมบนท้อแท้แต่คนที่มองแย่างผมบอกเออได้ประสบการณ์ได้ประสบการณ์รรณยิ่งยังหนุ่มยังแน่นเนี่ยนะประสบการณ์มีความสำคัญ มีคนแนะนํานะคนที่ทํางานใหม่ๆบอกว่าคุณควรสนใจประสบการณ์มากกว่าเงินมีหลายคนเนี่ยทํางานทํางานได้ประเดี๋ยวเดียวก็เปลี่ยนงานเพราะอะไรเพราะว่าได้ได้งานที่เงินเดือนสูงพอทําทงานใหม่ได้ปั๊บได้ปั๊บปีสองปีก็เปลี่ยนงานเพราะว่าเงินเดือนมันสูงกว่างานเดิม น, นี่เรียกว่า เปลี่ยนงานข้อเงินแต่คนที่มีประสบการณ์บอกว่าคุณอย่าเพิ่งนึกถึงเงินให้คุณนึกถึงประสบการณ์ก่อนเพราะถ้าคุณมีประสบการณ์ในที่สุดแล้วเงินมันมาเองเนี่แต่ตมาเนี่ยกำลังพูดในแง่ทื่ว่าเวลาคนที่เอาแต่บ่นว่างานเยอะงานมากเนี่ยหรืองานยากเนี่ยเป็นเพราะคุณไม่รู้จักมองแง่บวกถ้าคุณมองแง่บวกคุณก็จะเห็นว่า คุณสามารถจะเรียนรู้คุณสามารถจะได้ประสบการณ์จากงานเหล่านั้นยิ่งคุณยังหนุนยังแน่นเนี่ยมันยิ่งเป็นโอกาสที่ทำให้คุณเนี่ยมีประสบการณ์มากขึ้นและประสบการณ์เนี่ยมันจะอยู่ยคุณไปจนตายไอ้เงินเนี่ยมันอยู่กับคุณคนก็ขโมยได้แล้วก็เงินเนี่ยมันลดค่าได้ยิ่งผ่านไปค่ามยิ่งลดใช่ไหมฮะเงินเนี่ย พอเงินเฟอ้อเนี่ยค่าเงินก็ตกไปเรื่อยๆแต่ประสบการณ์เนี่ยราคามันเพิ่มขึ้นตามบอลเวลาเนะหมืที่ดินนะฮะนั่นคนที่บน่นคนที่บ่นว่างานเยอะงานยากเนี่ยนะถ้าคุณมองให้มองในแง่ดีมองในแง่บวกก็จะเออมันเปนการเพื่อประสบการณ์เป็นการฝึกให้คุณได้ไ ด, ได้ทดสอบได้เกิดความสามารถได้ฝึกใจคุณให้มีสติก็ได้มีความอดทนก็ได้ หลายคนกลัวงานไม่อยากทํางานไม่ไม่อยากทํางานยากก็กลัวล้มเหลวแต่นั้นก็เพราะคุณไม่รู้จักมองความล้มเหลวในแง่บวกความล้มเหลวในแง่ความล้มเหลวนี่ ม, ม, มันไม่ใช่มีมโทษเลยมันมีประโยชน์มันมีคุณคมันทําให้คุณมีประสบการณ์มันทำให้คุณเกิดปัญญา แลายคนไม่กล้าทำงานยากไม่กล้าทำงานเสี่ยงเพราะกลัวล้มเหลวแต่มีคนหนึ่งก็พูดไว้ดีเ็าบอกว่างานที่ยากงานที่เสี่ยงนะถ้าคุณทำสำเร็จคุณก็มีความสุขก็แฮปปี้แต่ถ้าเกิดคุณทำล้มเหลวคุณก็ฉลาดขึ้นคุณไม่มีเสียเลยนะถ้าคุณล้มเหลวคุณก็ฉลาดขึ้นคุณมีประสบการณ์มากขึ้น ความล้มเหลวเนี่ยมันรูปสัจของยาณบานเมันเหมือนกนเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างความอ่อนประสบการณ์กับความจัดเจนคนเราจะข้ามคนเราจะข้ามจากหรือจะพัฒนาจากความอ่อนผัดไปสู่ความเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ได้เนี่ยมันต้องผ่านความความล้มเหลวคุณจะมีความเจนจัดได้ สตีฟจ็อบเป็นตัวอย่างเลย น, นะฮะสตีฟจ็อบเป็นตัวอย่างที่ประสบความเป็นคนที่ผ ง, งาดผ ง, งาดขึ้นมาได้จากความล้มเหลวเรื่องราวของ้างนะฮะสตีฟจ็อบเนี่ยเขาเคยถูกไล่ออกจากบริษัทของเขาเขาสร้างบริษัท Apple ขึ้นมาก่อนถึงเาอยุยี่สิบสิบก้าดีซัม Apple ิลที่เขาสร้างขึ้นมาฮนะคู่กับเพื่อนของมึงชื่อชื่อวอลซ์เนี่ย แอปเปิตอนนั้นก็เป็นบริษัทที่ยหญงแต่ไม่ถึงยี่สิบปีพอแอปเปิลเข้าตลาดหุ่นพอแอปเปิลเข้าตลาดหุ่นเนี่ยมันก็มีเจ้าของหลายมันก็มีผู้ถือหุ้นหลายคนแล้ววันดีคืนดีเนี่ยเขาก็ถูกไล่ออกจากซี o โอบอร์ดกรรมการเนี่ยปลดข้อออกจากซี o โอเพราะว่าเขาทำงานไม่เป็นเนี่ยคือเขาได้แต่คิดเรื่องเทคโนโลยีแต่เขา ไม่เก่งเรื่องการการบริหารธุรกิจเขาถูกปลดเขาเสียใจมากแต่ว่าหลังจากสิกว่าปีเขากลับมาใหม่และการกลับมาครั้นเนี่ยในทางประวัติศาสตร์ของวงการธุรกิจอเมริกันนี่ถือเป็นการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่เพราะว่ากลับมาครั้นี้เนี่ยเขา ฟ้นชีวิตของ Apple ิลให้กลับคืนมา Apple นั้นต้งองยัางตายแลยนะขายแล้วนะลไม่มีคนซื้อนะขายบริษัทที่มีคนซื้อเพรามันมันมันมันแย่มากมันล้มเหลวในเรื่องหลายๆเรื่องซีฟจ็อกลับมาและฟื้นบริษัทขึ้นมาแล้วก็การเป็นทําให้บริษัท Apple ิลกลายเป็นบริษัทที่มีสินทรัพย์ ม, มากที่สุดในโลกเวลานี้เขาเพิ่งตายลงเมื่อสองปีที่แล้วตอนที่เ้าตายเนี่ย Apple เป็นอันดับสองของโลก ตอนนี้กลับมาขงนั้นเนี่ยคนที่ยอมรับร้อนแอปแอปสตีฟจอบตอนนั้นเนี่ยเป็น CEO ที่เก่งที่สุดในวราสวทสมัยใหม่ของอเมริกาจากคนที่ถูกกดเพราะไม่มีไม่มีฝีมือทางด้านธุรกิจได้แต่เป็นนักนักคิดเทคโนโลยีแต่ช่วงที่เขาถูกกดเนี่ยเขาไปก็ได้ไปเรียนรู้ประสบการณ์ในในบริษัท p ิก a r าในบริษัท NEXT แล้วเขาก็สะสมความเจนจัดสรุปบทเรียนจากความผิดพลาดแล้วเขากลับมาอัดเพิ่จากการขอร้องนะแล้วเขากลับมาแบบยิ่งใหญ่มากเพราะว่าคราวนี้เขาไม่ใช่ไม่ใช่คนเดิมนะเขาเป็นซีอโที่สา ม, มารถนะแล้วก็อย่างที่เราเห็นเนี่ยนะซิปจอปบอกว่าการที่ผมถูกไล่ออกเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสุดอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตผม กนะารที่คผมผูกไล่ออกเนี่ยนะครั้งนั้นนะมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างที่เกิดขึ้นกับชิงผมเพราะว่าความล้มเหลวมันทําให้เขาแกร่งทำให้เขาเกิดประสบการณ์มากขึ้นเพราะนั่นเนี่ยถ้าคุณถ้าคุณมองแง่บวกเป็นนะคุณจะไม่กลัวความล้มเหลวแน่นอนคุณทําเต็มที่แต่ถ้าล้มเหลวคุณก็ไม่คุณก็ได้ได้บทเรียน แล้วคุณจะเก่งขึ้นคุณจะฉลาดขึ้นคุณจะแกร่งขึ้นอันนี้ไม่ใช่เพาะความลยในการทํางานนะคุณอกหักคุณถูกปลดจากงานคุณเจ็บป่วยเป็นมะเนะร็งนะโรคิตคุณหรือว่าคุณคุณพิการไอ้สิ่งเหล่านี้ที่ท่ามองแง่บวกแล้วเนี่ยนะมีประโยชน์แต่ว่าไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีเวลาที่จะเล่าเรื่องคนที่เขาชีวิตเขาดีขึ้นนะหลังจากที่เป็นมะเร็ง ที่การชีวิตดีขึ้นหลังจากที่เสียลูกไม่มีเวลาพูดนะแต่ว่าเพื่อชี้เห็นว่าถ้าคุณมองแง่บวกหรือใช้สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณเป็นเนี่ยทุกอย่างมีประโยชน์ทั้งนั้นนะเวลาคุณถูกวิจารณ์เนี่ยคุณอย่าคุณอย่าไปเอาแต่โมโหลองคข่ควนคำวิจารณ์ดูมันมีประโยชน์คุณและพิริยพัน์เป็น เป็นอดีตที่เป็นอดีตพระแกเสียี่ไปแล้วเป็นอดีตเจ้าของมุงโบราณแกก็พูดว่าวันไหนไม่ถูกตําหนิวันนั้นเป็นอภิมงคลนะวันไหนทีตน่ต้ำหนิวันนั้นเป็นปมังคลดนะ้เพราะว่าคําตําหนิอะไรบาแกเป็นของดีโดยเพราะในระดับผู้นําอย่างแกซึ่งมีคนประจบประแจงนะ จนกะทั่งแกจะลืมตัวลืมตนแต่พอมีคนตําหนี้ก็ทำให้แกกลับมาเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นไม่ใช่เทวดาก็ทำให้ฉลาดทำให้ฟังคนอื่นทำให้ร่วตัวเองมีความผิดพลาดได้ก็จะไม่ประมาทแการมองแง่บวกก็สำคัญ แล้การต่อมานะซึ่งต่อมาก็พูดไป ห, หน่อยแล้วคือปล่อยวางนานทํางานด้วยความปล่อยวางเมื่อตอนที่ต่อมาพูดว่าให้ให้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยให้ให้อย่าไปอยู่กับอดีตกับอนาคตเนี่ยก็คือการปล่อยวางอยนึงก็คือคุณปล่อยวางอาดีตคุณปล่อยวางอานาคตมันจะถึงเมื่อไหร่ช่างมันเหมือนกับที่โน้ตอุดมเนี่ยก็ปล่อยวางไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งสิ่งที่วางแผนเอาไว้ข้างหน้า พูดถึงโน่นนี่จะมาอเสริมหน่อยนะเรื่องการมองแง่บวกคือเขาพูดอย่างนี้นะเกี่ยวเรื่องความผิดพลาดเวลาเดี่ยวไมโครโฟนนะบอกสมัยก่อนเนี่ยสมัยเดียวก่นกอนเนี่ยผมมีความสำเร็จผมมีภาพสำเร็จหรือว่ามันต้องออกมาอย่างนี้แล้วพอมาไม่ได้คือเล่นไปเล่นไปเนี่ยมันไม่ได้มันไ ม, ม, นไม่มันไม่ออกมาตามโคอย น, นะตอนนั้นผมก็รู้สึกไม่สบายตัว แล้วก็ลืมมองทุกๆอย่างที่อยู่ข้างๆตัวขโมยเลยแต่ความาเดี๋ยวหลังๆเนี่ยผมสนุกกับการลองผิดลองพลาดทาอะไรใหม่ๆสําเร็จหรือไม่สําเร็จแล้วยังไงนะสาเร็จหรือไม่สําเร็จแล้วยังไงก็แค่นั้นนะนะหมายความว่าถึงแม่ล้มเหลวนะแต่ว่าเขาสนุกอ่ะสนุกกับการได้ทำเขาได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ลองผิดลองถูกนะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์เขาเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่อง เพิ่มเติมเป็ น, ป, น, ป, นประเดเกี่ยวเรื่องการมองแง่บวกอันนี้กลับเปเรื่องการปล่อยวางไม่ใชการพูดเรื่องโนโ้ตว่าโนโ้ตเขาปล่อยวางตัวอย่างของโน้ตคือเขการที่เขาปล่อยวางเรื่องอนาคตว่าควรจะมองมาข้างหน้าไหนเขาไม่สนใจแล้วเวลาเล่นนะเขาก็อยู่กับปัจจุบันอันนี้ก็เลยเป็นการปล่อยวางแบ บ, แ บ, บมันคือปล่อยวางอนาคตปล่อยวางคาวามคาดหวังปล่อยวางคาวามคาดหวัง คุณแน่นอนก่อนคุณทำงานก็ต้องมีความคาดหวังคุณคาดหวังคุณมีภาพอย่างง้นอย่างนี้แต่พอ ค, คุณลงมือทำเนี่ยคุณวางมันก่อนวางมันก่อนคุณอยู่กับปัจจุบันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการปล่อยวางความคาดหวังในขณะที่ลงมือทานะปล่อยวางความรู้สึกว่าเป็นของกูของกู สำคัญกันนะปล่อยวา ง, งความรู้สึกว่าเป็นของกูของกูเนี่ยคนทางานเนี่ยบาง ท, ทีทะเลาะ ก, กันเพราะมีความรู้สึกว่าเป็นของกูของกูงานของกูแผนของกูฝ่ายของกูคนอื่นไม่ใช่อยู่ฝ่ายของกูก็จะมองเขาในแง่ลบมีการแข่งขันกันระหว่างฝ่าย มีความอิจฉากันระหว่างฝ่ายหรือว่าแม้กระทาั่งระหว่างโตะระหว่างพ่ลูกอันนี้มันมีนนาามนรากฐานมาจากความศิลป์เป็นของกูของกูเพราะฉะนั้นพอเขาศิลป์เป็นของกูเนี่ยใครมาใครมาแนะนําที่ก็ไม่ได้นะใครมาใครมาวิจารณก็ไม่ได้นะมาวิจารณ์งานของกูอะ่ะอย่ามายุ่งหลังฐานกูได้ไหม ถ้าเรามีความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นของกูมากในทุก น, นะคุณจะไม่ค่อยอยากฟังคาวิจารณ์คุณจะมองคำวิจารณ์เนี่ยเป็นในแง่ร้ายก็มันมากระทบตัวกูคุณจะคุณจะเป็นทุกข์เมื่อในคนอื่นเขาเขาแย่งชิงผลงานของคุณไปความทุกข์ของคนทำงานเนี่ยความเกลียดความการขัดแย้งกานเกิดขึ้นเพราะ รู้สึกว่าอีฝ่ายมันแย่งผลงานของเราไปทุกนะฮะและทําให้แต่สามัคคีกันทำงานไม่มีความสุขฮะเพราะว่ามันมีเรื่องเลี้ลวาวเ้าฉานเพราะการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายซึ่งเกิดมจาจากความสุกยึดมั่นในความเป็นของปู่มากอัตมาว่าถ้าเราวางมันลงเราจะทํางานมีความสุขมากขึ้นใครเขาจะมาช่วยก็โอเค เพราะเราม้มองประยยสุ ข, ของส่วนรวมใครเขาจะเอาผลงานเาก็รเเะอผลงานไปเป็นของเขาก็ช่างเขาถ้าหากว่ามันทำให้เขาเนี่ยทำงานหรือว่าร่วมมือการทำงานต่อไปเราจะฟังคำวิจารณ์ได้ง่ายขึ้นถ้าเราไม่รู้สึกว่ามาวิจารณ์ของกูทำไม อาจาร่บอกว่ายกผลงานให้เป็นของความว่าหรือว่ายกผลงานเป็นของธรรมชาติยกผลงานเป็นของสาธารณะไปยกผลงานเป็นของส่วนรวมก็ได้คุณทํางานเสร็จเนี่ยคุณยกผลงานให้เป็นของของพวกเราไม่ใช่งานของท่านจะเป็นของพวกเราพวกเราในที่นี่หมายถึงอาบาจอก็ได้หมายถึงองค์กรก็ได้ถ้าคุณทํางานไปนี่คุณก็จะมีความสุขมากขึ้นนะ ความอิจฉาก็จะน้อยลงมันจะมีแต่ความสมัครคีกันคนเรามันทิ้งความเป็นตัวกูยากนะแต่ว่าพยายามขยายความตัวกูของเรานี้ให้มันกว้างขึ้นกว้างขึ้นรวมคนให้ได้มากที่สุดและในขานที่เราทําอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นการช่วยลดรากตัวกูวด้วยด้วยลดรากความเป็นของกู แล้วนะถ้าเราไม่ยืดมั่นว่าเป็นของกูของกูนะเวลา ง, งานล้มเหลวนะเราก็เห็นว่างานมันล้มเหลวแต่ว่าเราตัวเราไม่ได้ล้มเหลวด้วยหลวงพ่อขรตมาหลวงพ่อคำเขียนท่านจะพูดอยู่เสมอนะคือท่านท่านชอบท่านสนใจเรื่องการอนุรักป่าท่านเป็นอาจารย์กรรมฐานแต่ก็ทํางานมืรักป่าด้วยแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านพัฒนาชาวบ้านให้พ้นจากความยากจนท่านเคยคิดจะเปลี่ยนให้ชาวบ้า น, นเลิกปลูกมัน เพราะไม่มีแต่นี่สินแค่มาปลูกผักเลี้ยงตัวเองแบบเศรษฐกิจพอเพียงแต่ท่านทํามะกาศสาวสิบปีที่แล้วนะแต่ไม่ได้ผลนะท่านก็พูดเสมอนะคนมาถามว่าเป็นยังไงรู้สึก ง, งานท่านสําเร็จไหมท่านบอกงานล้มเหลวแต่ว่าตัวตามาไม่ล้มเหลวด้วยงานล้มเหลวแต่ตัวตามาไม่ล้มเหลวเพราะงานก็ล้มเหลวแต่แต่ท่านไม่ทุกข์อะ อันนี้ก็เป็นเพราะท่านไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่างานนี่คือตัวกูของกูท่านทําเต็มที่นะแต่ว่าแต่ไม่ได้ทําด้วยความยึดมั่นมาเป็นของกูของกูคนที่ทําด้วยความยึดมั่นเนี่ยพองานล้มเหลวนะมันก็ไม่ใช่ล้มเหลวทางงานนะมันก็จะเสื่อมตัวเองล้มเหลวด้วยเมื่อคนที่ยึดมั่นถือมั่นในรถนะรถยนต์รถยนต์นะว่ารถนี้เป็นของกูของกูเนี่ยเวลามีใครมากรีดตัวถังรถกรีดสีรถเนี่ย รู้สึกจะรู้สึกวเหมือนจะมากรีดใจเรากรีดรดก็มากลีดเราวิจาร์ลดวิจาร์ศีลดก็เหมือนวิจารณ์เราบางคนก็อาจจะยึดมาถือมา่ในกระเป๋าถือสารานี่หลุยวิจตองนะก็มีคววิจารไม่ได้เรื่องเป็นสวยอย่างไยเลยเขาจะรู้สึกว่าไม่ได้วิจารณแต่กระเป๋านะแต่วิจารณตัวเขาด้วย กรเป๋าไม่เจ็บปวดแต่เขาเจ็บปวดเพราะอะไรเพราะเขาไปยึดมั่นถึงว่าว่านี่กระเป๋าของกูกระเป๋าของกูกระเป๋านี้เหมือนกับตัวกูนั่นฉะนั้นก็ฉะนั้นคนที่ไปยึดมั่นถือว่าางงานของกูงานของกูเนี่ยหรืองานนี้เป็นตัวกูเนี่ยพอ ง, งานล้มเหลวเนี่ยของกูก็จะรู้สึกล้มเหลวด้วยแต่ถ้าเราไปวางความยึดมั่นในตัวกูเนี่ยเราจะทาํางานจะมีความสุขมากขึ้นสําเร็จเราก็ได้เรียนรู้ล้มเหลว เราก็ได้ปัญญาเนื่องการปล่อยวางสำคัญนะแม้กระทั่งปล่อยวางตัวกูของกูนี่ก็เป็นประโยชน์ต่อการทำ ง, งานให้มีความสุขอธมาก็พูดมาสี่ข้อใหญ่ๆนะว่าหนึ่งการคุณค่าของคุณค่าของงานสองการอยู่กับปัจจุบนันสา ม, มองแง่บวกสปล่อยวางนะที น, นี้เนี่ยทั้งหมดที่อมาพูดมาเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของ ราวกับงานแต่เวลาทำงานนะมันไม่ใช่มีแค่เรากับงานมันมีคนอื่นด้วยเพื่อนร่วม ง, งานใช่ไหมฮะมีเพื่อนร่วม ง, งานคนจะมีความสุขเนี่ยส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วม ง, งานด้วยหลายคนไม่ยาทำงานเพราะว่าคนในที่ทำงานไม่ถูกกันคนนิงช่อนดินทา อีกคนหนึ่งชอบเอาอู่งานอีกคนชอบเอาเครียกอาตมาเชื่อว่าการทำงานจะมีความสุขเกิดขึ้นได้เนี่ยเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ดีราบรื่นกับเพื่อนร่วมงานนะตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องอาศัยการการการวางาท่าทีให้ถูกต้องเช่นนะ การไม่มองว่าเพื่อนร่วมงานเป็นคู่แข่งถ้าคุณมองว่าเขาเป็นคู่แข่งปไปเลรคือก็มีความทุกข์แต่ถ้าคุณมองว่าเออเป็นเพื่อนร่วมงานนะที่มาช่วยกันทำงานให้สำเร็จมันจะดีมากหรือแทนที่จะคิดว่าเขาแทนที่คิดว่าคุณกำลังแข่งกับคนอื่นคุณลองคิดว่าคุณกำลังแข่งกับงานดูที่ประเทศอเมริกาเนี่ย มันมีการประกวดอย่างหนึ่งนะซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่มากในอเมริกาโดวยว่าในหมู่เด็กอายุมน 10, 10, 10ันสิบ10บส1บกวบหขวบก็คือการแข่งสะกดคำภาษาอังกฤษนีแข่งสะกดคำเป็นงานใหญ่นะคนร่วมการแข่งขันเป็นล้านล้า น, านเป็นสิบล้านคนในอเมริกาแล้วแข่งทั่วประเทศและสุดท้ายวันในรอบสุดท้ายก็จะเลือกมาสัก10คนแล้วก็มาเการแข่งนสุดท้าย คล้ายๆแบบก็ทันเล่นอะไรพวกเนี้ยนะ AF ะเนี่ยนะแล้วก็ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ประมาณสักห้ีที่แล้วเนี่ยมัน ม, ม, นมีมันมีตัวเกงสองคนนะเป็นลูกครึ่งทั้งคู่นะลูกครึ่งแท้คนหนึ่งชื่อราชีฟอีกคนชื่อซามีราชีนี่เป็นตัวตัวเต็งอันดับหนึ่งซามีเป็นตัวเต็งอันดับสองบอกกว่าไอราชีเนี่ย เกิดพลาดสกปรกผิดก็แพ้ตกรอกไปสามีซึ่งเป็นตัวแตงกฤษสองก็เลยเป็นตัวแตงกัษหนึ่งก่อนจะแข่งขันก็มีคนถามสามีว่ารู้สึกอย่างไรที่ราชีฟซึ่งเป็นผู้แข่งเนี่ยแพ้ตกรอกเขาพูดได้ดีเขาบอกว่าผมไม่ได้แข่งกับคนนะครับผมมาที่ผมแข่งกับคํา คือเขาไม่ได้มองว่าราชีพเป็นคู่แข่งเขาเพราะฉะนั้นเขาไม่ไม่รู้สึกดีใจเลยที่ราชีพเนี่ยตกรอบไปเพราะเขาซื้บเพราแข่งกับคําเขากําลังแข่งกําลังพยายามทำสิ่งที่ดีสุดในการที่จะสะ ก, กดทําให้ได้ในเวลาเราทํางานเนี่ยจะมาเพื่อเราอย่าไปเนื้อราแข่งกับใครเรากําลังแข่งกับงานเรารังสู้กับงาน ไม่คิดมันก็ทั้งแข่งกับตัวเองที่ซ้ําก็ได้นะอันนึ่ที่มักเกิดขึ้นอยู่เสมอนะคือความเข้าใจผิดกับเพื่อนร่วมงานและความเข้าใจผิดกับเพื่อนร่วมงานในะส่วนเกิดจากการที่เราชอบด่วนสรุปด่วนสรุปบางทีเราเจอเพื่อนตอนเช้าเราทักเพื่อนเพื่อนไม่ทักตอบเราก็กดเพื่อน อ๋เพื่อนยิงใช่ไหมฮะแต่บางทีถ้าเราลองไปถามเขาก็อาจจะได้คําตอบว่าเขาไม่ได้เห็นเลยไม่ได้ยินเลยที่เราทักเพราะตอนเพราะตอนนั้นในเขากําลังเครียดกําลังกุ้มใจที่พ่อป่วยกําลังกุ้มใจที่รูกไม่สบายก็เลยหูดักไปเลยนะคุณเคยเป็นบ้าเใื่อว่า พอเจอเกันเนี่ยคุณฟังคนไม่รู้เรื่องเลยใครพูดอะไรนะหูมันอื้งหมดเลยคนเป็นมะร็งเนี่ยพอหมอพอบอกพอหมอว่าคุณเป็นมะเร็งนะหลายคนที่บอกเลยหูนี่นอื้งหมดเลยนะหมอพูดอะไรไปไม่ได้ยินแล้วนคนที่เขากําลังห่วงลูกที่ป่วยพ่อแม่ที่กําลังจะตายเนะ่ยนี่เขาไม่รับรู้เลยนะเพราะฉะนั้นคุณทักไปเนี่ยเขาไม่ได้อีกหรอกแต่คุณไม่เข้าใจเนี่ยคุณก็ไปคิดว่าที่เขาไม่ทับคุณเพรา เขาเล่นตัวเพราะเขาหยิง น, นะถ้าคุณคิดแบบนี้เนี่ยเกิด อ, อะไรขึ้นนะเกิดความบาดมาง ก, กันนะอย่าดวนสรุปมีหมอคนนึงแกเล่า ว, ว่าแกพยาบาลแกมีคนไข้คือเป็นเด็กนะอาการหนักมากนะหมอก็ดูแลอย่างดีนะ เด็กเนี่ยมันมีแม่ดีพ่อมาด้วยหมอก็พูดกับพ่อของเด็กว่าทุกเช้าเวลาหมอขึ้นเวรเนี่ยให้อยู่กับให้อยู่กับลูกนะเพราะว่าเวลาหมอซักถามอาการซักถามจากลูกไม่ได้ก็มาซักถามากับพ่อหรือว่าเราเวลาจะแนะนำให้ควรทำอย่างนี้เนี่ยก็จะแนะนำพ่อเพื่อได้ไปทำกับลูก เพราะว่าพยาบาลนี่ลหมือล่นงานลน่มือข้อก็รับปากก็ไปอีู่ทั้งสองวันวันหนึ่งหมอขึ้นเวรไม่เจอไม่เจอพ่อเด็กหมอก็ไม่พอใจวันที่สองอีกแล้วไม่เจอพ่อหมอก็ถุนพอตอนเย็นเนี่ยเห็นพ่ออยู่ข้างเตียงลูก หมอก็ปาไปดา่าเลยว่าทำไมคุณหายหัวไปไหนไม่อย่กับลูกทําไมคุณไม่รับผิชอบลูกนะลูกคุณรู้มาลูกคุณเนี่ยอาการหนักแค่ไหนพ่อพ่อตกใจนะแกบพลมือขอโทษเลยเนะแล้วก็บอกว่าขอโทษคุณหมอตอนนี้เนี่ยช่วงนี้ช่วงสอง ส, องสองามวันนี้ผมไม่มีข้าวกินเลยไอ้เงินที่ผมติดมาเนี่ย มันก็หมดแล้วนะผมต้องไปกินข้าววัดทุกเช้าเลยวัดอยู่ข้างโรงพยาบาลกว่าจะกว่าจะกินได้ก็ต้องร้อยข้าวฉันเสร็จก่อนกินเสร็จก็ต้องล้างเครื่องล้างชาไม่พะมันก็สายแล้วก็เลยมามาไม่ทันพบคุณหมอคุณหมอพอฟังได้ได้ฟังทําอย่างนี้นะคุณหมอก็เศร้าเลยนะรู้สึกเสียใจยว่าเราไปตําหนิเข า, า, าทุน้นทีเขา เขาไม่ได้เทเลทไหลเราไปคิดว่าพ่อนี่เทลทไหลตามวิสัยผู้ชายทัว่วไปเทเลทไหลที่ไมใช่แต่เขาดีความเป็นเพราะเขาไม่มีข้าวกินนะหมอรู้สึกผิดนะก็เป็นบทเรียนของหมอว่าเออนะเราไม่ควรด่วนสรุปเคยมีนะคนหนึ่งเขาเล่าว่าเขาอยู่บ้านจัดสรร แล้วก็ต่อมาก็มีบ้านมีคนย้ายมาอยู่บ้านข้างๆกันย้ายไปได้สักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยบอกว่าคืนนั้นเนี่ยมันมีพายุใหญ่นะแล้วก็ไฟดับทั้งหมู่บ้านหมู่บ้านจัดสรร น, นะฝนก็ตกคร่ำครวมคนที่อยู่บ้านใหม่เนี่ยที่ย้ายมาใหม่เนี่ยแจก็มาเรียกที่ประตูะตะโกนตะโกนอะไร คนที่ตะคนที่คนที่มาตะโกนที่หน้าบ้านเขาบอกว่าคุณมีไฟฉายไหมเจ้าของบ้านนั้นเนี่ยรู้สึกโฉนขึ้นมาเลยว่าย้ายมาเนี่ยเพิ่งย้ายมาเนี่ยบ้านราคาต้งหลายล้านแค่ไฟฉายนี่ยังไม่มีเลยเนะจะมารบ ก, กวนเราแต่เขาบอกไม่มีนะเพราะว่าคนที่ อาคาตุกะ ก, ก็บอกอ๋อไม่มีเหรองั้นอ่าเย้าก็หยิบไฟฉายมาให้อฉันเตรียมมาด้วยเพราะคิดว่าคุณยุคงไม่มีไฟฉายนะสะอุกเลยนะคือเดินถึงที่ว่าเนี่ยเขามาเขาจะมาขอไฟฉายเราถึงมาตะโกนเรียกแต่จริงไม่ใช่เขาห่วงเรานะตามภาษาคนเพื่อนบ้านด้วยกันเขาก็เลยคอเ ห, เห็นว่าเราไม่มีเขาก็เลยหยิบไฟฉายมาให้ จะรู้วึกเสียรู้สอับอายเกินนะกจ้อของบ้านนะว่าโหนี่เราทําไมมองคพื่อนในแง่ร้ายมันบ่อยครั้งเนี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชั่วโมงวันคือเรามักจะสรุปร่วงหน้าแล้วเราก็เอาแล้วเนี่ยวิธีเนี่ยเราก็มาใช้กับการทํางานเราสรุปร่วงหน้าโดยที่เราไม่ได้ถามเพื่อนของเราเราดวนสรุปแล้วเราก็เลยเ ข, ข้าใจผิดแล้วก็เลยเกิดความบาดหมานกัน แต่ถ้าเพื่อเราเพียงแต่ถามลองถามสักหน่อยถามก่อนถามก่อนตำหนินะถามเพื่อทําไมวันนั้นฉันทักเธอทําไมเธอไม่ทักไม่ทักตอก็อาจะพบความจริงหมอถามคนไข้กัว่าถามถามพ่อเขาเดีว่าวันนั้นไปไหนตอนเช้าหายไปไหนแทนที่จะดา่าบินไฟแล้วค่อยถามว่าคุณนายวัวได้ไหนก็จะพบความจริงแล้วเพื่ในการทํางานเนี่ยถ้าเราด่วนสรุปกันให้น้อยลงนะ แล้วก็ถามกันให้มากขึ้นความเข้าใจผิดจะน้อยลงรวมทั้งถามเจ้าตัวด้วยเวลาได้ยินข่าวลือเช่นมีเพื่อนมาบอกว่าสมหญิงเนี่ยเขาพูดถึงเธอแบบนี้แบบนี้แบบเนี้ยคนส่วนให ญ, ญ่เชื่อเลยนะว่าสมหญิงพูดแบบนี้นะแล้วก็เลยเกลียดสมหญิงทันทีเลยนะแทนที่จะถามว่าเอ้ยจริงไหมสมหญิง ฉันได้ยินเขาว่าได้ยินมาว่าเธอพูดกับฉันอย่างนี้มีใครถาแบบ น, นี้บ้างหรือเปล่าน้อยนะส่วนใหญ่เนี่ยพอมีเพื่อนบอกว่าสมหญิงพูดกถึงเธอแบบ น, นี้ว่าเธอตอนแหลกโอ้เชื่อเลยนะคว่าโอ้มสมหญิงพูดกัูอย่ไม่เชื่อเหรอโกรดสมญิงขึ้นมาทีเลยไม่คิดได้ทั้งไปถามในสายพุทธกาลพระเจ้าเคยเล่าเรื่รองเขอีกกันนะมีพระสองลูปนะสนิทกันมากนะพระรูกราชเนี่ย อายุมากกว่ากันสันเรียกพระมหาเทระอีกรุปหนึ่งเรียกว่าพระอนุเถระรักใคร่กลมเกลียกันมากอนุเทระเนี่ยก็จะอุปถัมภ์พระมหาเถระเรียกพันเตือยือบาทเวลาบินบาบเสร็จก็ถือบาทเอาบาทไปล้างบริการนะเอาน้ำเอาน้ํามาล้างล้างขาเอาน้ำล้างขามาเตรียมให้ให้น้ำล้างเท้ามาเตรียมให้ให้ เราเนี่ยกมีคันตุ ก, กามาชี้พระเรียกพระธรรมกฐิก็จะธรรมกฐิปแปลว่าพระที่เทพเก่งพระธรรมกฐิเ ป, นรร เ, ปนรรเนี่ยนะมาถึงก็ได้การต้อนรับอย่างดีจากสองรูปนี้แล้วก็ชวนให้ไปเทศเทศแล้วชาวบ้านชอบชาวบา้านก็ก็มากระถามด้วยปัจจัยสี่ถ้าเขาเกิดติดใจชอบอยากจะอยู่วัดนี้แต่จะอยู่ได้ยังไงในเมื่อเราเป็นเบอร์สานะครับมีสอง มีสองคนอยู่ก่อนก็หาทางเาอาบาปที่ทำให้สองรุ่นนี้ทะเลาะกันทํำยังไงวันหนึ่งก็พระธรรมกิตติก็ไปเจอก็พูดกับพระมหาเถระว่ามีเรื่องอจะคุยด้วยพระมหาเถระบอกอ๋อมีไรว่ามาเลยเอ๊ะจะคุยดีไหมเนี่ยนะมันไม่ดีหรือมั้งพระมหาเถระบอกว่าผูดมาเธอพู้มาเธอนะแ้วก็บอกว่าทําไมข้าไม่ถูกกับพระนี่เถระ พระมาเชนแล้บอกใครว่าไม่ถูกสนิทกันตายกลมเกลยดกันตายพระธรรมสุติกษริถามว่าอ้าวแล้วทาไมพระอนุเทละมาบอกข้าพรเจ้าว่าอยากคบกับพระมาเทระแค่นั้นหละนะพระมาเทระนีโกรเลยนะเกิดความไม่พอใจพระนิเทละพราพระมาถึงก็พูดเช่นนั้นกับพระนิเทละพระนเถละก็โกรธพระมาเทระสองคนเริ่มโกกันแล้วนะ แล้ววันนึงเนี่ยก็พระเป็นบิณฑบาตกลับมาพระอนุเทละก็จะไปรับบาตรตามปกติในใจนึกว่าจะรับบาตรดีไหมเพราะว่าเขาไม่ชอบที่หน้าเราเขานินทาเราแต่เอาเธอะนะเราเป็นรุน่นน้องเราก็ไปรับบาตรพระมัฉละไม่ยอมให้บาตรบอกว่าท่านไม่สมควรรับบาตรจากเราเพราอนึกท่านก็บอกว่าข้าพเจ้าก็ไม่อยากรับบาตรของท่านเหมือนกันทะเลาะกันแล้วก็เลิก ก็แยกยางไปจากคนที่รักท่กลมเทียวนะจากคนที่ทะเลาะกันปรากฏว่าในสุดพระพระธรรมกสุตรก็ได้ถึงเจ้าของเจ้าเอาว่าสครองวัดอย่างมีความสุขแต่ยีงไม่จบแค่นานไปหลายสิปีนะแก่แก่ทั้งคู่นะเพราะมาเชลาร์มาเจอกันนะพนเพราะมาเชลามาเจอพระมาชลาร์ก็รำลึกถึงความหลังที่เคยเออเอเอกันก็ก็กก ก็ก็น้ำตาซึมแล้วไยถามว่าเมื่อครั้งนั้นเนี่ยข้าพเจ้าทําอะไรไม่ถูกต้องหรือท่านจริงจ น, นท่านจริงไปบอกพระธรรมก็ถือว่าอยากพบกับข้าพเจ้าอ้ท่า น, นท่า น, นไปบอกข้าพเจ้าว่าอท่านถไปบอกท่านถไปบอกพระธรรมกถือว่าอยากอยากอยากมาพบกับข้าพเจ้าเข้ามาสารบอกฟังแล้วไม่เคยพูด ท่านต่างหากนะที่ไปบอกกับพระธรรมกถึงว่าอยากคบกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าทาอะไรไม่สมควรหรือท่านถึงพูดกับพระธรรมกถึกอย่างนั้นตอนนี้เฉลิมบอก ว, ว่าไม่เคยพูดเลยตอนลงตอนนั้นนะที่ที่รู้ความจริงว่าถูกใส่ร้ายโดยพระธรรมกะถึกมารู้กันตอนแก่แล้วนะตอนจะลงลงนะถึงรู้ว่าคนนี้ถูกหลอก เรื่องนี้ต่อไปก็ปกรากฏว่าภาคทำมากระถือเนี่ยตายแล้วก็ไปเป็นเปรตนะชื่อว่าสุกรเปตคือเป็นตัวเป็นยักษ์แต่ว่าหัวนี่เป็นเป็นหมูปางเนี่มีนอนชดชยัยไล่ อ, อมาแต่ประเด็นนี้เนี่ยสิ่งสำคัญคือว่าทําไมข้ามหาเทล่าข้ามลิเชลถึงโกรธกันเพราะเชื่อคนง่ายใช่ไหมฮะได้เชื่ อ, อเดียวไม่ถามด้วยคนไทยเป็นแบบนี้นะคือเราเชื่ออะไรง่าย เพียงแค่ข้าสองคนที่ถามว่าจริงไหมที่ท่านพูดกับพระธรรมกุฏอย่างนั้นว่าไม่สมควรคบข้าพเจ้าถ้าถามแค่นี้เ่ยทุกอย่างจบก็จะรู้ความจริงแต่ว่าเขาไม่ถามสองมันทำปีเป็นยังไงนะสองมันทำยปีถึงวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นคือว่าไม่ถามเราเชื่อคนง่ายเพราะนักคนดีๆเนี่ยถึงทะลาะกันง่ายเพราะว่าตกเป็นเหยื่อของผู้ที่ไม่ดีพวกที่ชอบสาเสียคนดีนี่ดี ทุกอย่าง น, นโยงกันอย่างเดคือหูเบาแล้วปากหนักหูเบาคือเชื่อง่ายแล้วก็ปากหนันคือไม่ยอมถามนะในครอบครัวในที่ทํา ง, งานเป็นอย่างนี้มากนะฮะมันจะมาช่วว่าถ้าเราลองถามจริงไหมมันจะช่วยเราได้เยอะอ่าประการหนึ่งนะสุดท้ายแล้วกันนะก็เครียดสาคัญเหมือนกันนะ คือแน่นอนนะเพื่อนของเราเพื่อนโรงงานบางทีก็ทำอะไรไม่ดีหลายอย่างแต่ามาชิด ว, ว่าหนึ่งเนี่ยเวลาเราจะทวงเติ่งเนี่ยให้รู้จักใช้หลักคือจณาห้าประการหนึ่งพูดคำจริงสองพูดสิ่งที่มีประโยชน์สามพูดถูกเวลาผูกผิดเวลาก็มีปัญหานะฮะ ไอทูเวลาที่ผู้เจ้าบอกว่าไม่ต้งชมชมผิดเวลาก็มีปัญหานะมันทําให้เขเหลิ่งได้ชมถูกเวลาติงถูกเวลาสใช้คํามไพเราะความสุภาพห้าจิตเมตตาเวลาเราจะติง่งเวลาจะตหนิใครลองถามใจเราดูว่าเรามีความโกรธไม่มีความหมดึดหมิมห่นไหมถูกเวลาไหม ซึ่งรวมถึงถูกสถานที่ด้วยเขากำลังเหนือห่อยๆมาถ้าเราไปทวงติง้งเขาเนี่ยเขาก็โกรธง่ายนะแต่ว่าถ้าเกิด ว, ว่าทวงติ้งมันี่นเามีสติจิตใจก็ปกติก็จะฟังได้แต่เรากร็ตามนะทวงติ้งแล้วเนี่ยสมาชิกว่าอย่ายดุแค่การทวงติง้งต้องรู้จักชมด้วยบางทีการชมก็ช่วยทําให้คนกลับตัวกลับใจได้เหมือนกันนะฮะ มีสมัยที่ปั้มน้ำมันเจยังอยู่นะฮเจนี่รู้จักนะฮะเจ็นี่ขึ้นชื่อด้านนะห้องน้นํานีขนาดถูกซื้อไปแล้วสิบปียังถึงยังจำได้ว่าเจนี่ขึ้นชื่อเรื่งห้องน้ํามีผู้ร่างคนหนึ่งเนี่ยแกออกต่างกับเป็นประจําแล้วแกจะซีเรียสมากเรื่องห้องน้ําแกชอบแวะไปตามปั้มของเจแล้วแกไปดูห้องน้ําก่อนเลยแล้ววันนึ่งแกก็ไปดูห้องน้ํา ของปั๊มหนึ่งเนี่ยมันไม่สะอาดตามมาตรฐานที่สะอาดแล้วนะแต่ไม่ถึงมาตรฐานของบริษัทที่วางเอาไว้แกต้องตรงไปหาคุณป้าที่กำลที่เป็นเจ้าที่ทํทาความสะอาดแต่แกแทนที่แกจะว่าแทานที่ตาําหนิแกจะถามาป้าเมื่อกี้ผมเข้าห้องน้ำมันก็มีลูกค้าเข้าห้องน้ำเขาก็ชมนะว่าห้องน้ำเนี่ยปั๊มนี้เนี่ยสะอาดแกจะถามว่าคุณป้าทํำยังไง คือแกต้องการเช็คว่าคุณป้าเนี่ยทำตามขั้นตอนของบริษัทหรือเปล่าคุณป้าแกก็เล่ามเลยนะว่าหนึ่งสามสีห้าหกจ็ดปดทําะไรเล่าเสร็จแกก็บอกโอ้คุณป้าขยันมากเลยนะครับนะแล้วแกก็แกก็แกก็ชมแกก็ชมแกบอกว่าคุณป้าแกได้ทําอะไรดีมาบ้างคุณป้าฟังเสร็จคุณป้าก็บอกว่าเอองั้นเดี๋ยวดีไซน์ขอตัวก่อนนะจะไปไหนซานนะแกกลับไปที่ห้องน้ํา แล้วก็ทําความสัตว์มันดีกว่าเดิมทำไมฮนะเพราะว่พอแกได้รับคาชมใช่ไหมฮะแกก็มีความภูมิใจนะแกก็เสิมเกิดฉันท่าที่จะไปทาความสัให้มันมากขึ้นให้มันดีขึ้นผู้ไปทางก็จะไม่ไตําหนิคุณป้าเลยแต่แกชมแต่การชมของเขาที่ทําให้คุณป้าเนี่ยเกิดกําลังใจที่ทําความดีมากขึ้นนะฮะแล้วแต่าาบางทีเนี่ย การที่จะการที่คนเราทาความดีเนี่ยจากผิดให้เป็นถูกจากร้ายให้ให้กลายเป็นดีเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่อาศัยคําตําหนิหรือทําคัดท่วงอย่างเดียวบางทีการชมก็ช่วยได้เหมือนกันนะถ้าเราช ม, ชมเป็นเนี่ยคนเขาเกิดแรงจูงใจที่ทําความดีอาตมาเคล่ยรที่ผ่านมาเนี่ยเราเน้นเรื่องการตําหนิมากแต่ว่าเราชมน้อยถือจีเนี่ยนะ แต่ว่าพูดเนี่ยมีพระรุ่นนึงเนี่ยไปเป็นไปเป็นอาสาสมัครไปไปศึกษางานงชิคกี้แล้วไปบวชเป็นพระพระจีนนนก็บอกว่าชิคกี้นี่ น, นะเขาดีนะเขาจะชมเจ็สิบเปอร์เซนต์าจะตําหนิสามสิบเปอร์เซคือชมมากกว่าตำหนิแล้วก็เพราะคนเนี่ยชิคกี้เป็นคนที่ทํางานเน้นมีความสุขแล้วก็มีความมีประสิทธิภาพมาก คือส่วนใหญ่เนี่ยทำงานมีความสุขแต่ว่าม่นก็มีผลงานไม่ดีใช่ไหมแต่ชื้จีนเนี่ยเป็นอย่างคนที่งานก็ดีคนก็มีความสุขสองอย่างเลยอาตมาเชื่อเนี่ยมันเป็นไปได้เหมือนกันที่สามารถเกิดขึ้นในที่นี่นะคืองานก็ได้ผลคนก็มีความสุขนะทรางว่าได้ได้ทำอย่างที่ได้ลองทอํางที่อาตมาได้แนะนํามาประการสุดท้ายเรื่องความสัมพันธ์นะคือนอกจากชมแล้วนะ ขอโทษการขอโทษที่ช่วยได้มากการขอโทษมันเปลี่ยนความสัมพันธ์คนได้มากเลยนอกจากคนไทยนอกจากไม่ถามแลนะ้วเนียขอโทษและชมนี่ก็ทาน้อยงั้นนอกจากถามให้มากขึ้นชมให้บ่อยขึ้นแล้วเนะี่ยก็ควรขอโทษเมื่อรู้สึกว่าทำผิดเกลียดๆกันนี่นะพอขอโทษที่มันดีขึ้นมาเลยนะับ มีนักธุรกิจคนหนึ่งนะแกเล่ฟังวันนึงแกขับรถเนี่ยแกคงขับรถเนี่ยอท่าไหนไม่รู้นะไม่รู้ว่าแกขับรนเลี้ขวาทันทีรถแกช้าหรือไงไม่รู้ปรากฏมีรถคันหนึ่งแซงแซงเสร็จคนที่แซงนี่ก็รถกระโจลงแล้วก็ตะโกนด่าแกก็แซงซ้ายนะ ก็กถกระจกตะโกนด่าดแกแล้วก็เลยไปนอกทรกกีก่คนนี้แกก็โปรดแกก็รีบห่อบึงเพื่อที่จะไปไปปาดเอาคืนและ ก, กระดาษกลับพอรถเนี่ยเริ่มขนาย่านขึ้นมาเนี่ยนะแกก็รถกระจกรถกระจกรถ ล, ลงอีกคันหนึ่งเนี่ยรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็รถ ก, กระจกรถ ล, ลงกัน ตั้งใจว่าถ้ามึงด่ากูกูก็ดา่ากลับแต่ปรากว่าอยู่ดีๆเนี่ยนักธุรกิจคนนั้นเนี่ยจากเดิมที่ตั้งใจจะด่าเนี่ยแกไม่รู้อีกท่านไหนแกตะโกนมาว่าผมขอโทษอีกครันหนึ่งซึ่งมันเตรียมไปด่าอยู่แล้วเนี่ยพอที่เช่นนี้แกก็เลยหลูดเปล่ามาเหมือออกามือนกันผมก็ขอโทษเหมือนกันนะทั้งสองฝ่ายต่างกตกใจ นึกว่าจะด่ดาแต่ขอโทษนะคราวนี้เนี่ยคราวนี้เนี่ยพอพอาณะเนี่ยมีปัญหาแล้วเพราะต่างฝ่ายต่างเกียมให้อีฝ่ายแซงก่อนคุณไปก่อนสิอีกฝ่ายก็บอกคุณไปก่อนสิไม่ยอมนะจากเดิมที่แย่งคือถนกนกันตอนนี้การมันก็ต่า ง, ต, างต่างจะเอื้อเฟื้อคือถนนใ ห, กนหุกันแล้วกันคือเขาบอกเน่เห็นคนที่ตั้งเขาอยู่นี่บอกเห็อนอันที้สง่งนี่คืการขอโทษมันเปลี่ยนความสัมพันธ์ไปเลยนะ จากคนที่ตั้งใจจะด่าเนี่ยพอเราขอทโทษคนนี้เขาขอโวษกลับมาทันทีแล้วเราเพื่อในการทํา ง, งานเนี่ยถ้าเรามีตรงนี้บ้านหรือนี่ บ, บ่อยๆมันจะช่วยทําให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นได้ไม่ใช่ทํากับเพื่อนรุ่นงานนะทำกับลูกของเราทํากับสามีของเราทํากับพ่อแม่ของเราความสัมพันธ์จะดีขึ้นมากเนี่ยอั น, นมาก็ใช้เวลาผสมควรแล้วก็คิดว่าคงยุติเท่านี้ดีกว่านะฮะ ไม่ทราบว่าจะมีคําถามไหมหรือเปล่าหรือว่าจะเลิกเลยพระบุณเจ้าให้โอกาสเืเ้องต้นตนะครับตอนนี้เลยเวลาฉันเพลง15นาทีแล้วจริงๆเสียรายการตรงท่านต้องฉันเพลงแล้วท่านให้โอกาสต็ว่อย่างนั้ น, นะครับมีท่านใด จ, จะสอบถามปัรหาธรรมหรือไม่ทํำก็ได้ครับไอที่ยังไม่ได้ทำแต่ถามว่าจะทาํายังไงอะไรประมาณนี้ นะฮะเห็นไหมครับไม่ต้องเป็นคนของอบจอ ย, อย่างเดียวครับพี่น้องชาวสุสารที่เขา้าร่วมโครงการกับ เ, เราในวันนี้ก็ยิน ด, ดีครับผมจะเดินใหม่แล้วนะครับท่านใดยกมือก็ได้ครับเดี๋ยวผมเดินกันโอเคครับด้านหลังนะ เราเรียนถามท่านพอาจารย์นะคะว่าที่ท่านบอกว่าการเวลาเราทํางานเนี่ยให้รู้จักว่าปล่อยวางแล้วก็ไม่ติดกับอดีตและปัจจุบันอนาคตแต่ถ้เาเนการทํางานในองค์กรต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรู้ถึงอดีตแล้วรู้ถึงอนาคตมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วแล้วการที่จะปล่อยวางเนี่ยในปัจจุบันแล้มันทำไม่ได้อยู่แล้วแต่เดี๋ยวถามท่านอาจารย์ว่า ต่าสิ่งต่างๆที่ทั้งอดีตปัจจุบนันอนาคตการปล่อยวางแล้วก็มีเราจะจับมาให้มันมดรวมกันได้แบบไห น, นอย่างไรอยากให้พระอาจารย์แนะนำในการใช้การทํางานร่วม ก, กับอดีตปัจจุบนันอนาคตแล้การปล่อยวางเอาคุณครับเ อ, อัอตมาก็ได้พูดไปแล้วนะว่าเวลาเราจะมองไปในอดีตเนี่ยมองเพื่อใคร่ควนแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้มองเพื่อใครครวนแต่ว่าย้อนและลึกเพื่อคร่าควรต่างกันนะ เวลามองอนาคตเนี่ยเราควรจะมองเพื่อวางแผนไม่ใช่ไปกังวลกับมันนะที่ให้ปล่อยวางคือปล่อยวางแบบนี้ปล่อยวางอดีตยังไงที่ว่ไม่ให้ปล่อยใจไปไปไปข้ามครวนเสียใจเพราะไม่มีประโยชน์มันผ่านไปแล้วไอสิ่งที่เรากังวลก็ยังมาไม่ถึงนะแล้วมันจะมาถึงรูปแบบก็ไม่รู้เพราะว่าเรามักจะเรามักจะปรุงแต่งให้มันลบเกินจริงก็บ่อยไป ใช่ไหมต้องเรี่กปล่อยวางได้ปล่อยวางคือว่าเราอยู่กับปัจจุบันทําปัจจุบันให้ดีเวลาเรานึกถึงอดีตเพื่อใครครวญเนี่ยในทางวิทยาศาสตร์เขบอกว่าการใครครวญแบบนี้ก็ถือเป็นกิจในปัจจุบันได้เวลาเราวางแผนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยการวางแผงนนันก็ถือเป็นการทํางานปัจจุบันได้แต่ไม่ใช่ไม่ใช่คร่ําครวญกับมันเวลาเราเงินเวลาเวลาเราทำเงินหายนะ คนที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่ถึงเงินหาเนี่ยไม่ได้นึกเพถึงใครควรว่าจะปรับคูนแก้ไขมันอย่างไรแต่ว่าท่ําควรเสียใจมากกว่าซึ่งการทำเช่นนี้เนี่ยมันทําให้ขาดทุนเพราะว่ า, าก็จะเสียเงินแล้วใจก็เสียด้วยนะพอใจเสียแล้วนะบางทีก็นอนไม่หลับสุขภาพก็แย่ลงเสียสุขภาพแต่ถ้าเสียเงินมากๆบางทีทําใจไม่ได้เนี่ย ทำงานไปก็ไม่มีสมาธิเสียงานอีกและบางครั้งเนี่ยพอเสียงานแล้วจิตใจมันหิตแล้วก็ไประบายกับเพื่องโรงงานไประบายกับลูกไประบายกับสามีภรรยาก็เกิดการทะเลาะกันอีกเรียกว่าเสียสมรรถภาพใจก็ที่เสียเงินนะพอวังใจไม่เป็นนะเสียใจเสียสุขภาพ เสียงานแล้วก็เสียสมรรภาพนะไม่ได้ไประโยชน์อะไรเลยในกรณีเช่นนี้ปล่อยวางดีกว่าเสียก็เสียไปเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมงานก็เหมือนกันนะงานเนี่ยถ้าเราถ้าเราย้อนถ้าเรามันถ้าเราล้มเหลวและเเราแต่เสียใจเราไม่ได้อะไรแต่ถ้าเราย้อนกลับมาพิจารณาว่าใคร่ควรว่ามันมีความผิดพลาดตรงไหนนั่นคือสิ่งที่ควรทํา เนต่อมาธิว่าปล่อยวางทำได้แต่ปล่อยวางเนี่ยขอจำนะเป็นเรื่องการทำจิตส่วนการทำกิตยังต้องทำต่อไปเวลาเจ็ป่ปวยนะก็ต้องยอรับความจริงว่าเราป่วยแล้วควรหยุดบ่นอย่าตีโพยตีพายนะ อันนี้เป็นความหมายของการปล่อยวางแบบหนึ่งแต่ว่าการรักษาตัวยังต้องทําต่อไปถ้ามารักษาได้นะนั้นเวลาทํางานเนี่ยอาตมาก็มักจะพูดแนะนําเพื่อลหลายอย่างหลครั้งนะว่าปล่อยวางอย่างรับผิดชอบปล่อยวางอย่างรับผิดชอบไม่ใช่ปล่อยปละละเลยหรือว่าทําเต็มที่แต่ยาซีเรียสนะทําเต็มที่แต่ยาซีเรียส หลายคนจะทำเต็มที่ได้ท้องสี่เรียสแต่น้ำมอนว่าไม่จาเป็นคุณทำเต็มที่แต่ไม่สี่เรียสได้นะถ้าคุณปล่อยวางเป็นก็ตอบสั้นๆอย่างนี้มีอ<บ>ีกไหมครับไม่มี อ๋อไม่คุ้นหนูว่าคนปฏิบัติธรรมทำตัวอย่างไรเช่นถ้าปฏิบัติธรรมแต่ว่าไม่สูงสิงกับผู้คนหรือว่าปล่อยปาร์ละเลยไม่ทำหน้าที่มีนักปฏิบัติธรรมจำนวนมากเนี่ยเรียกว่าปล่อยปาร์ละเลยไม่ไม่รับผิดชอบส่วนรวมแม้กระทั่งในวัดก็เจอจะเจอประเภทนี้เยอะก็คือว่าเอาแต่เก็บตัวในกุฏิงานการส่วนรวมไม่ไม่รับผิดชอบอันนี้ก็ ก็ย่อมเป็นธรรมดาที่คนทั่วไปจะมองว่าปิดปกติหรือเปล่าใช่ไหมหรือว่าบางคนปฏิบัติธรรมแต่ว่าเจ้าอารมณ์โกรธง่ายอันนี้ก็เจอเยอะเพราะปฏิบัติธรรมแบบจบกฎก็มีมันคิดว่าถ้าปฏิบัติธรรมถูกวิธีนะจะจะมีปัญหาน้อย ก็มีบ้างถ้าเกิดว่าปฏิบัติธรรมแล้วปล่อยวางประเภทว่าไม่ไปหลงไหลกับความสุขทั้งโลกนะไม่ไปไม่ไปอยากได้ใครดีอันนี้มันก็ผิดผิดอันนี้มันก็ทวนกระาส ช, ชาวโลกถ้าเขามองแบบแบบนี้ว่าเป็นผิดปกติก็เป็นเรื่องธรรมดา ก็ยังมีการพูดว่ามีการพูดนะว่าแม้ในพร ะ, พระตปตตบิตรก็กพูดสับชาวโลกในขั้นจะมองพระอรหันต์เนี่ยหเหมือนกัคนบ้าเพราะว่าสิ่งที่งามพระอาหารหันต์บอกไม่งามสิ่งที่ไม่งามพระอาหารหันต์บอกงามอันนี้เนี่ยก็มีการสายต่างชาวโลก็จะมองว่าผิดปกติได้แต่สําหรับในทางธรรมแล้วการมองแบบนี้ไม่เสียหายเพราะว่าบันเป็วิสัยชาวโลกที่จะมองแบบนั้น แต่ถ้าเกิดว่านปฏิบัติธรรมเนี่ยทำตัวให้ข้อตําหนิได้ในแง่ที่ว่าไม่รับผิดชอบส่วนรวมหรือว่าเจ้าอารมณ์ไม่มีน้ําใจอันนี้ก็แสดงว่าการปฏิบัติธรรมนั้นยังไม่ถูกต้องก็ต้องแก้ไขมีนักปฏิบัติธรรมจำนวนไม่น้อยที่เวลานี้เนี่ยเข้าใจผิดพลาดจนขั้นไม่มีน้ําใจ เาตมาเคยไปเยี่ยมเคยไปเยี่ยมคนไข้คนหนึ่งแกเป็นมะเร็งที่คอเป็นผู้ชายแล้วก็มะเร็งก็ขยายใหญ่จนข้างแกเนี่ยนั่งไม่ได้แกต้องนอนแล้วแกนอนไม่ได้แกต้องนั่งแล้วไม่ได้นั่งแบบปกติแกต้องเอาเอาเอาเอ า, เอาหน้าอกเนี่ยทาบกับเตียงเวลาตมาคุยกับตามาก็ต้องก้มก้มคุ ย, ยกับแกยองยองคุ ย, ยกับแกบนเตียงคนไข้ ต่อมาแกก็มีอาการดีขึ้นโรงพยาบาลก็ปล่อยกลับบ้านปัญหาที่ก็คือว่าที่บ้านเนี่ยไม่มีคนดูแลแกทีแรกก็มีแฟนมาดูแลแต่ตอนหลังเนี่ยก็ถูกไล่เพราะวพี่สาวบอกว่ายังไม่ได้แต่งงานกันทำแบบนี้ผิดศีลข้อสามอาตมาก็งงนผิดสินข้อสาตร ง, ง, ง, งไหนนะ ไม่เป็นไรแล้วพี่สาวทำไมไม่มาล่ะก็ถามนะพยาบาลพี่สาก็บอกพยาบาลก็บอกว่าพี่ศาตอนนี้ปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดใกล้ๆในในจังหวัดเดียวกันคือนคปรปฐมพยาบาลก็เคยไปบอกพี่สาแล้วให้มาดูแลน้องชายหน่อยเพราะน้องชายตอนนี้ไม่มีใครดูแลแ ล, แล้วน้องสาก็บอกว่าไม่หรอกฉันจะปฏิบัติธรรมส่วนน้องชายก็เขาทํากรรมของเขาเขาก็ต้องรับกรรมของเขาเองนะ คือถ้าถ้ามีความเข้าใจแบบนี้ก็แสดงว่ายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรือปฏิบัติธรรมไม่ถูกนะเพราะการดูแลน้องชายก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งปฏิบัติโดยเพราะเมตตาธรรมแต่นี่ฮะเห็นทักษะติเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมจานวนหนึ่งนะคือว่าไม่มีน้ําใจไม่ใช่ไม่มีน้ําใจกับคนอื่นนะกับลูกไอ้กับน้องตัวนี้ก็ยังไม่มีน้ําใจเลยขนาะคนธรรมดาเนี่ยไม่ต้องมีธรรมะมากมา ก, ก็รู้แล้วว่าแบบนี้เนี่ยต้องช่วย แตาทำไมปฏิบัติธรรมไปปฏิบัธรรมาก็บอกว่าเคสแบบนี้ต้องตัวใครตัวมันใช่ไหมถ้าหากว่าคนพวกเราหรือคนทั่วไปเจอหน้าปฏิบัติธรรมนี้ก็ค้องสงสารและปฏิบัติธรรมอย่างไรซึ่งอาบารในข้าศัตรูมาเนี่ยนี่เป็นการปฏิบัติธรรมที่ผิดเพราะว่าไม่ได้หนึ่งไม่มีน้ําใจสองไม่ตระหนักว่าการช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ทุกยากก็เป็นการปฏิบัติธรรมเหมือนกัน ปฏิบัติธรรมแล้วไม่มีเมตตากรุณาเนี่ยถือว่าปฏิบัติธรรมถินนะปฏิบัติธรรมแล้วไม่มีน้ำใจเนี่ยถือว่ากําลังพอกคูความเห็นแก่ตัวซึ่งมันไม่ใช่เป็นจุดมุ่งหมาย ก, การปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ ย, ยความเห็นแก่ตัวต้องน้อยลงความเมตตาต้องมากขึ้นนั่นเป็นไปได้ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะไปส่งเสริมความเห็นแก่ตัวหรือแม้แต่ความรู้เรื่องกฎกฎแห่งกรรมถ้าใช้ผิดก็ไปส่งเสริมความเห็นแก่ตัวได้เป็นแบบนี้มากขึ้น ดีไหมครับถ้าถ้ า, ถายางไงสิ่งผมขออนุญาตปิดก็ล้กันนะครับเพราะว่า